อ่างว่านานๆนะตอนเช้าถ้าผู้ชาวเช้าันกังวงจัดเราก็มาฟังในช่วงที่มันหายง่ว ง, งแล้วแล้วก็บางทีก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องปูพื้นฐานความเข้าใจเรื่องของการปฏิบัติธรรมรวมทั้งความเข้าใจเดิม ที่มันฝังรากลึกอยู่ลึกอยู่ในใจเรามาตั้งแต่เกิดคือเป็นความเข้าใจที่มันไม่ตรงเวลาความเข้าใจไม่ตรงเราก็ปฏิบัติดับทุกข์ไม่ได้คือต้องมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่มันตรงระดับหนึ่งแม้จะเป็นสัมมาทิฏฐิในระดับพื้น้นะความเข้าใจเบื้องต้นก็มีความจำเป็น อย่างที่เราปฏิบัติทำเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรเป้าหมายของพุทธศาสนาที่ไปในทางไหนพ่าหลายๆคนเวลาคุยดูแล้วมันมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากศาสจาศาสนาพุทธี่มีมีแก่นมีเปลือกเขาถึงเรียกว่ามี มีธรรมมาทิศฐานมีปุกลาทิฐานคือเขาพูดโดยภาษาธรรมก็มีแต่พูดภาษาโลกโลกก็มีในความหมายหนึ่งๆนง่อย่างความหมายของคาว่านิพพานเนี่ยภาษาโลกๆลแปลว่าตายจะภาษาธรรมเลยหมายถึงกิเลสตายไม่ใช่ทนตาย ภาษาโลกโลกภาษาคนคือคนตายตัวตายรูปตายแต่ภาษาธรรม น, นหมายถึงกิเลส ต, ตายในั่นหลายคนก็ไม่อยากไปนิพพานเพราะกลัวตายนี่ภาษาคนภาษาธรรมมีภาษาธรรมาทิฏฐานปุกลาทิฏฐานการพูดอิงตัวละคร อ, อันหนึ่ง มีตัวตนมีสมมุติอันนั้นอันนี้ขึ้นมาอันหนึง่งอิงสัจจะทีนี้ถ้าอิงสัจจะเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าใจในพุทธศาสานาจึงมีตําราสอนมีเขาเรียกว่าพระไตรปิฎกมีพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมพระวินัยเนี่ยหมายถึงระเบียบวินัยของนักครสนักบวช หรือนักเจริญสมถะนักเจริญวิปัสนานักฝึกจิตที่ต้องมีระเบียบวินัยอะไรบางเขาก็จะบรญจัดเอาไว้ว่ามีกฎระเบียบอะไรในการฝึกจิตนนี้ที่ควรเป็นหรือเวลารวมอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยเราควรมีระเบียบวินัยอะไรบ้างบางทีเขาใช้คำว่าศีลความสารวมกายวาจาเรียบร้อยเรียกวศีล ความรักษาจิตให้ตั้งมั่นในวิสมาธิความรอบรู้ในการปรุงแต่งในกองสังขารที่ผุดขึ้นมาแต่ละครั้งเรียกว่าปัญญาก็าจะใส่ข้อมูลอันนี้ให้กับชีวิตเราถ้าไม่ไปไม่ไปนิพพานชีวิตก็อยู่ช่วงของสวรรค์สวรรค์เราก็เข้าใจว่าอยู่บนฟ้าต้องขึ้นไปอยู่บนฟ้ามีเรือนทิพย์มีวิมาน อยู่แบบนั้นแบบนี้อย่างที่พระสงฆ์อ ง, อง ค, ค์าเจ้า ห, หลายๆรูปพยายามที่จะทำให้เราเข้าใจผิดไข้เขลเรื่องสัจจะนึงคือการเห็นแจ้งด้วยปัญญ า, ย า, ายาณทันญาณทัศนะกับการเห็นด้วยสมาธิเนี่ยมันจะคนละอย่างกันคือการเห็นด้วยสมาธิก็เป็นเรื่องของอุปาทานไปเนี่ยจะไม่เกี่ยวกันดับทุกข์ที่ถ้าไม่ได้พึงสวรรค์ สวรรค์นในภาษาธรรมไม่ได้เป็นชั้นเป็นชั้นอยู่แต่โน้นนะภาษาธรรมนี่หมายถึงธรรมอารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นแต่ละขณะขณะกับจิตเรานิพพานก็หมายถึงหมดกิเลสดับกิเลสได้ก็ดับที่ไนดับที่จิตสวรรค์ก็เป็นเรื่องของจิตเพราะมนโนภพังกขมาธรรธรรมทั้งหลายเป็นเรื่องของใจ สวรรค์นิพพานเป็นเรื่องของใจรวมทั้งนรกด้วยนรกก็เป็นเรื่องของใจดังนันพุทธศาสนานี่ยเขาสอนเรื่องจิตการหลุดพ้นก็เป็นหลุดพ้นที่จิตที่ใจดับทุกข์ก็ดับทุกข์ที่ใจเพราะจิตใจมันมีนมความลับมีเคล็ดลับของการรู้ธรรมเข้าถึงธรรมถึงที่สุดของทุกข์มันมีปรากฏอยู่ในจิต เป็นความรู้สึกแต่ร่างกายนี่เพียงแต่ให้ปฏิบัติถูกตามกฎธรรมชาติของมันมันก็จะปกติมันไม่มีอะไรมากเมื่อคืนพูดถึงสวรรค์ไปบ้างนะ6หกชั้นสวรรค์เบื้องต้นหกชั้นขยับขึ้นไปยิงหน่อยเนี่ยมีอยู่สิบหกชั้นเป็นเทวดา เป็นพรมเป็นรูปประรมสิบหกชั้นแล้วก็แถมด้วยอรูปประรมอวิหาอาตัตตาปัสสัสสสีอีกสี่ชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นแต่เป็นรูปธรรมเนี่ยสมัยอินเดียเนี่ยคนไหนก็ทำที่มีชีวิตอยู่รอบๆภูเขาหิมาลัยเนี่ยภูเขาฮิมาเลย คนจะอยู่เป็นสถานที่ที่มีอากาศดีอยู่แล้วมีความสุขความสบายสะดวกจะสูงขึ้นตามลําดับเขาเรียกว่าเป็นที่อยู่ของเทวดามีความสมมุติกันเป็นแบบนั้นบางทีเขาก็เรียกว่าภูเขาซินโนซิโนรุราชบางทีเขาเรียกว่าภูเขาหิมพาน หิมะวานะป่าอันสงบเย็นนั้นพวกนักพรนักบวชรือศีชีไพรเขาก็ชอบไปอยู่กันเพราะมีความสุขความสบายรวมทั้งผู้มีอันจะกินก็อยู่สูงตำับแบบใครอยู่สูงก็ถือว่าเป็นเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเป็นพรหมชั้นสูงสุดเราจะได้เห็นในวรรณคดีวรรณกรรมเรื่อง กำเนิดนางสงกานนางสงกานเนี่ยเวลาพ่อเขาตายพระพรหมถูกตัดหัวนี่ต้องอไปไว้ปนภูเขาหิมา่านบนภูเขาหิมาลายนั่นแหละถึงวันสงกานลูกสาวก็ไปแห่เอาศีารษะมรดมาสง มนส่งน้ำแล้วก็ขึ้นไปเก็บใบโนนท่านหล่นลงหัวหล่นลงถูกพื้นพระพรหมในมีสีหน้าถ้ามันหล่นลงสู่พื้นก็จะทำให้ท่าหน้าที่หนึ่งหน้าเมตตาหล่นลงเนี่ยก็จะทำให้ไฟไหม้บ้านไหม้เมืองหน้าที่สองหน้าที่สองน่หมายถึงหน้าเมตตาถ้ามันคว่าลงถ้าไม่มีเมตตาต่อกันก็น้ำท่วมโลก นาที่สามหน้ากรุณาถ้าไม่มีกรุณาต่อกันกน็ลมพัดทั้งบา้านทั้งเมืองนาทีสี่ถ้าไม่เฉยไม่เวขาต่อปัญหาตั้งหลายทั้งพวง ก, ก็หนักแผ่นดินแผ่นดินถลม่มทลายเขาอธิบายไปแบบนั้นก็เลยต้องเอาคอตั้งอยู่บนผานบนภูเขานูน้นไปมันเป็นอย่างนั้นนะพวกเราเองก็เหมือนกันถ้าไม่มีคุณธรรมรู้จัก มีเมตตากรุณ า, าบูชาบีกหาต่อกันก็คือเราไม่มีหน้าของความเป็นพรมนในตัวเองจะทำให้สังคมนี้วุ่นวายเดี๋ยวนี้ขาดมากคำว่าพรมวิหาระธรรมคือจิตเราเขาไม่ได้ไปอยู่ในในสภาพของความเป็นพรมเดี๋ยวเนี้ยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราเกิดเป็นเราจะมีสี่หน้าหน้านี้หมายว่าหน้าที่หน้าที่ต้องปฏิบัติต่อสังคมเนี่ยมันต้องมีแบบนั้น ถ้าทำได้อย่างนี้เขาก็นุ่นเอาไปไว้ที่สูงๆที่ภูเขานเขาใช้คําว่าภูเขาพระสุเมนพระสุเมนเป็นที่มาของคําว่าเมนเมนเผาศพบ้านเราเนี่ยที่จริงพระสุเมนนเราจําลองสร้างเป็นเขาพระสุเมนเมนของเราเนี่ยคือจะไปสวรรค์คนไหนไปเผาในเมนคือจะได้ไปสวรรค์ไปอยู่พระสุเมน คือจำลองไว้หมดความคิดความอะไรเราเนี่ยต้องก็ะทำกันจริงจังแต่ยังไงก็ตามสวรรค์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาเรียกว่าชั้นกา ม, มาระจรนกา ม, มาระจรนจิตเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ในกา ม, มาระจรนวิ่งอยู่ในกามเราตรวจ ด, ดูสิจิตเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันไปทางไหน จิตของเรามันจะวิ่งอยู่ในภูมิสามภูมิมันไม่เกิดนี่กามาวจรภูมิวิ่งไปตามกามเรื่องเพศถอนรู้สึกอันหนึ่งน่ะอันนี้เกิดขึ้นมาแต่ดีน่ะกามมาวจรคือเรื่องเพศแยกให้ฟังกันชัดๆเลยโดยเฉพาะนะไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะ ตืนขึ้นมานคิดเรื่องนี้นะแต่เป้าหมายพุทธศาสนานี่ไม่ใช่เรื่องอนี้เรื่องไม่เกี่ยวกับภูมินี้อยู่เหนือภูมิอันนี้เขาเรียกว่าโลกียาภูมิอันที่สองรูปาวจรภูมิรูปาวจรภูมิก็คือความสุขความสบายทางอายตนะ ถ้าแปลกันให้เป็นรูปธรรมใกล้ๆตัวเนี่ยอายจานนาตาหัวจมูกเล่นกายแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของกามไม่ใช่เรื่องของเพศแต่มันพอใจกับรูปรบกินเสียงเนี่ยความสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์ที่มันเป็นรูปมีความสุขอยู่กับการก่อสร้างความสุขอยู่กับได้มีอะไรที่สุข ส, ขสบายอานวยความสะดวก เขาเรียกว่าจิตมันอยู่กับรูปแต่ไม่เกี่ยวกับกามนะไม่เกี่ยวกับเพศนี่เขาเรียกว่ารูปปาวจรคือมันวิ่งอยู่กับรูปพวกนี้มันหนึ่งหนึ่งอันที่สามอารู ป, ปาวจรแปลให้ง่ายๆก็คือพวกติดอยู่ในลาบยศสารเสริญชื่อเสียงไม่เกี่ยวกับรูปเกี่ยวกับวัตถุเกี่ยวกับชื่อเสียง เกี่ยวกับชื่อเสียงโดยเฉพาะมีความยินดีความพอใจคนยกย่องสรรเสริญแล้วสะเก็ดหูบางคนเวลาเรายกย่องนี่ดีใจรู้สึกภูมิใจให้เกียดเนี่ยแต่วันไหนที่เราไม่เกียดรู้สึกว่าจะงุดหิดอึอดอัดขึ้นมานนดีอ่ะเวลาเราสอบอารมณ์ดูเราจะรู้จักโอเป็นอย่างนี้เนาะคนก็แคน่นี้เนี่ยคือมันก็จะเวียนว่ายอยู่แค่นี้มันไม่ได้ไปไหนมาไหน จิตจะอยู่ในชั้นเวียนว่ายอยู่ในรูปในอรูปเนี่ยในกามมีสามันเนี่ยกรมาวจรรูปาวจรูปาวจรคือวิ่งไปวิ่งมาอย่างน น, นี้อยู่ในพภพภูมิของความเป็นไตรลักษณ์ภายใต้ของความเป็นอนิจจังถ้าไหนอนิจจงนะมันไม่เที่ยงนะมันต้องทุกข์นะ เพราะมันต้องเสื่อมสลายต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมันทนในสภาพเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงทีนี้เราไม่รู้เท่าทันของความเปลี่ยนแปลงอันนี้จิตมันไม่เป็นหนึ่งเดียวคือมันไม่ยอมรับเมื่อไหรที่มันยอมรับปฏิบัติตามในสิ่งที่มันเป็นมันเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยไม่ตกเป็นทาตอันนี้เข้าใจมันเป็นผู้ดูมันเมื่อไหร่เนี่ยเขาเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติให้มันถูกตามหลักของกฎสัจจะที่มันเป็นอยู่แล้วเนี่ยคืออันนี้จังทุกขังเนี่ย เห็นมันไม่มีตัวตนก็ดูมันแบบไม่มีตัวตนมันเกิดมันดับยังไงก็ดูมันเห็นมันเฉยเฉยเนี่ยแต่ถ้าเราไปมีตัวตนไปพอใจเป็นยินดีกับมันพอใจมีรูปรถดินเสียงสัมผัสมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องเราไม่ได้มองว่าเป็นรูปเป็นวินาเป็นสัญญาเป็นสั้งขานมีวิญญาณเราทุกทั้งปีตายไปร้อยกี่หมื่นกี่พันชาติหละชีวิตเลยเนี่ยเพราะเราไม่เข้าใจไง เราติดเราผูกพันอยู่กับรูปร่างกายสังขารนึ่งภาษานั้นเขาก็าเลยเทียบเอาไว้คนที่อยู่ด้านล่างจิตถ้ามันสูงขึ้นหน่อยมันพอใจมันยินดีก็เป็นสวรรค์แต่ถ้ามันตกต่ำมาลงอยู่ในกระบวนการของโลภะโทสะอยู่ในชั้นกามอยู่ในรูปรูปเนี่ยมันก็อยู่ในภาวะของความไม่เที่ยง ภาวะอันนี้ก็จะทำให้เป็นทุกข์เพราะมันอยู่กับความเปลี่ยนแปลงและคุณเปลี่ยนแปลงไม่ทันตามที่มันเป็นท่านจึงบอกว่าถ้าลงข้างล่างนะใจมันต่ำต่ำกว่าระดับเนี้ยเขาวัดตรงไหนต่าสูงเนี่ยดูดีๆนะเนี่ยปกตินี่ๆตัวนี้ปกติระดับของจิตคือปกติคือเป็นแบบนี้ เฉยเเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่ไม่ได้ไปไม่ได้มาไหนนี่อันนี้คือระดับปกติของมนุษย์มนุษย์คือแบบนี้คือเฉยเฉยแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่การรู้แจ้งนะแต่เฉยเฉยแบบที่เราเป็นแบบนี้นะเนี่จิตแบบนี้นี่มันพร้อมที่จะสุขหรือทุกข์อันนี้เมื่อไหร่ที่เราสำรอกกิเลสคือเราเอากิเลสออกไปจากใจเอ่ยความยึดติดความผูกปันนองไปได้ มันจจะเป็นวิปัสนาเป็นวิวชาเป็นวิมุตต์หลุดพ้นก็จะไม่ใช่จิตแบบนี้แต่พื้นฐานจิตเดิมเนี่ยมันเริ่มจากแบบนี้ถ้าต่ํากว่ามาตรฐานแบบนี้ลงไปต่ำกว่าความปกติที่จิตมันเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะไปรักชอบชังโกรธเกลียดห ง, งุดหงิดลงไปเนี่ยเขาเรียกว่านรกต่ํากว่าความปกติลงไปนี่เขาเรียกว่านรกทันใจเราก็คือวันวันหนึ่งก็วิ่งอยู่ในนรก นรกภูมินรกสิบแปดหลุมอ้ยมากมายหลากหลายเขาปัฒนาไว้นะแต่เป็นเรื่องของความเร่าร้อนกุ้มใจของเรานี่แหละนรกแปลว่าร้อนโดยเฉพาะอันใต้สุดนะเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอาวิจีอวิจีแปลว่าถ้าแปลตามศัพท์มันนะแปลว่าไม่มีเปลวนรกร้อน ร้อนอยู่บนกองไฟที่ไม่มีเปลวไฟที่มีเปลวเนี่ยมันไม่ร้อนเท่าไหรน่นะเร็วไฟลุกแดงๆอยู่เนี่ยแต่เท่าไหร่ที่ไฟที่มันไม่มีเปลวเนี่ยมันจะร้อนมากที่สุดนั้นความร้อนใจถึงที่สุดเนี่ยนั่นแหละคือในตัวเรามันมีแบบนั้นนะร้อนแบบไม่มีเปลวเลยอึดอัดขัดเกือนร้อนทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาได้หลับนอนได้พักผ่อนถ้าเปลวกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟ กลางคืนเป็นไงอระคิดฝันแต่กลางวันล่ะกลางวันก็กลางคืนเป็นความฝันกลางวันเป็นความคิดเพราะกลางวันนี้เราคิดเอาพอได้แต่รอบพอหลับในตอนกลางคืนน่ะสติสมปรีไม่พอมันก็กลายเป็นความฝันเหมือนมันขยับไปเหมือนจริงเหมือนจัิงอะไรกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟเผาเราตลอดเวลาเลย เขาก็แสดงเป็นชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นเลยแต่สุดท้ายก็คือร้อนไม่มีที่สิ้นสุดร้อนมากร้อนจังถ้าไม่มีเปลวตกนรกชั้นเอเวจีสังเกต ด, ดูดิเราไม่พอใจเขาใครตรงนี้เขาส่วนมากจะหมายถึงตัวสวรรค์ชั้นโทสะสูงสุดเวลาโกรธขึ้นสูงสุดเนี่ยมันอัดแน่นอยู่ในใจนะมันไม่แสดงออกไปเป็นความคิดความอะไรนะเป็นอารมณ์เผาเราอยู่ข้างในเนี่ยนั่นแหละ มันมาหนึ่งคนเนี่ยเราดูตกแต่นรกเอเวจีบางคนอยู่ใกล้มากแค่ถูกคนดูหมี่ดูหมิ่นดูถูกเหยีย็นยามนิดหน่อยตกแล้วนรกเนี่ยที่ยืนเหยียบพรเราไม่มีที่เกาะ ม, มีที่กำบัง ไ, ไม่มีที่จับที่วางคือเขาบอกภิกษุทั้งหลายเธอจงมีสติเป็นเกาะเธอมีสติเป็นที่เกาะที่จับที่เกี่ยวไม่มันตกลงไปในรก เราก็ไม่พยายามที่จะเอาตัวสติเป็นที่เกาะที่เกี่ยวกับจิตเรานั้นมีอะไรเกิดขึ้นเป็นทุกข์ทันทีไม่พอใจทาให้เป็นทุกข์พอใจก็ทาให้เป็นทุกข์เป็นทุกข์เหมือนเดิมนะเพราะเราหลงในมันนะ่ะหลงแล้วเข้าไปในมันไอ้ความพอใจไม่พอใจนี่มันเกิดจากไหนมันมาจากไหนมาจากสวรรค์ข้างนอกหรือที่มันเป็นทุกข์เนี่ย ไม่ใช่เกิดมาจากขันธ์ห้าเรานี่แหละจากรูปพิธนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดมาจากไหนเกิดมาจากอายตนะที่เชื่อมต่อของผัสสะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปรสกลิ่นเสียงกระทบขึ้นมาตายพอดีนะเนี่ยพอกระทบทีอะไรตกนรกทุกทีเลยตกนรกคือหล่นลงไปสู่ความเร่าร้อนความกลุ้มใจความมุญญนหะิดน่ะ ความไม่พอใจขึ้นมานะ่ะจิตเราเนี่ยมันตกนรกแล้วแต่เราก็ไม่รู้จักเราคิดว่านรกเนี่ยมันต้องอยู่ใต้ดินนนตายแล้วจึงจะเป็นตกนรกเป็นเปรตเช่นนั้นจะนี้อันนั้นคําสอนอนี้นมันมีมาก่อนพุทธศาสนานรกแบบเนี่ยมันเป็นศาสนาอื่นนั้นจึงอยากทาความเข้าใจว่าปัจจุบันนี้เราเข้าใจเรื่อง ศาสนาพุทธเนี่ยหลักคำสอนแล้วเข้าใจถูกไหมเข้าใจตรงไ้มเดี๋ยวเนี่ยหรือ ว, ว่าเรามันอยู่ใต้นรกอยู่อีกใต้บาดาลอยู่อีกเข้าใจตามคำภีพระร่วงไหมไตรภูมิพระร่วงของพยาลิไทเนี่ยที่ท่านสอนสมัยนน้นนะ่ะจวบรวมสวรรค์แบบนรกแบบนั้นภูมิสามสิบเอ็ดอะไรก็ว่าไปตามเรื่อง แต่ความไปยิงเราสังเกต ด, ดูดิมันเกิดที่ไหนเนะี่ยมันเกิดที่ตาที่หูนี่แหละอันเขาเรียกว่าสวรรค์ชั้นกามาผจรในเบื้องต้นเนี่ยมันอยู่หกชั้นก็คืออยู่ที่ตาหูจมูกทิ้นกายใจเนี่ยนี่ภูมิพบจิตของที่ปรากฏเกิดขึ้นกับเราเราก็สังเกตว่าถ้ามันไปสวรรค์ไม่ได้ ชันการมาประจอมก็จะวิ่งอยู่แถวๆนี้คืนหนึ่งนรกนรกก็คือร้อนเรื่องของจิตนะมันร้อนเมื่อร้อนจิตร้อนใจเมื่ อ, อไหร่เนี่ยเป็นนรกอาการของจิตถ้ามันเกิดความหิวขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นเปรดเปรดเปรดเปรถ้รถรถรถรถถามันกลัวจิตเนี่ย ถ้ามันกลัวเขาเรียกว่าอสุรกายอสุระแปลว่าไม่กล้ามันกลัวจิตแล้วเขามีแค่นี้ร้อนอกร้อนใจหิว้วกลัวเป็นอสุรกายมีประเภทหนึ่งคือสัตว์ดิรฉานเราจะได้ยินน่ะติรฉาน ฤๅษีชนันมันไม่ใช่อย่างอื่นนะแต่ว่าหมายถึงการไหลไปตามสัญชตาตญาณเช่นภาษาพระขริยวันบ้าจิตเนี่ยบ้าตามความรู้สึกเขาจะมุ่งเน้นมาที่ตรงเรื่องของ เพศเรื่องของอะไรเนี่ยมันไหลไปตามสัญชาติยานอันนี้มันบังคับเราเราไม่ใช่โกรธไม่ใช่กลัวไม่ใช่หิ้วไม่ใช่ทุกขแบบอื่นเนะี่ยแต่เป็นทุกเพราะอันเนี้ยนั้นเขาดึงบอกว่าเตี้ยนฉ า, าเนี่ยแปลว่ามันจเจริญตามขวางอารมณ์อะไราาก็มาตามที่ปรากฏขึ้นแล้วมันขวางทางนิพพานเนี่ยแต่ทางโลกมันสามารถจเจริญไปได้นะอย่างเขาพัฒนาไปได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปเนี้ย แต่ความสนุกสนานเพื่อเพื่อนี้ขวางสมาธิแน่เนี่ยมันขวางสมาธิจิตเราเนี่ยขวางการเกิดปัญญาของการเกิดการรู้แจ้งเราดึงอารมณ์นั้นเข้ามาไว้ในใจนี่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะปัดพวกนี้ออกไม่ให้มันมีภูมิมันนี้เข้ามาอยู่ในจิตวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะอยู่ตรงภาวะของความเป็นมนุษย์ไม่ให้มันเป็นดีราน ไม่ให้มันเป็นเปลดเป็นอสุรกายเป็นนรกร้อนแบบนั้นร้อนแบบนี้เขาก็ทำเป็นรูปแบบไว้ว่ามีกี่ชั้นกี่ชั้นกี่ชั้นถ้าคนอยากเข้าใจมากๆไปดูในใตภูมิประ่วงก็ได้หรือไปดูในพระจีก้กงพาท่องเมืองนรก ก็มีหนังสือมนุษย์แบบไหนบ้างอย่างโน้นอย่างนี้อุสาหภัณฑ์พุทธศาสนาเนี่ปรากฏขึ้นเนี่ยต้องการให้เราพ้นจากนรกพ้นจากเปรตอสุรกายอเวจีติระฉาทั้งหลายทั้งปวงแต่ก็ไม่ให้ติดอยู่ในสวรรค์การมาพรจรนี่มันเป็นสวรรค์ด้วยเป็นนรกด้วยคนติดอยู่ในรูปติดอยู่ในรูป ก็เป็นสวรรค์ชั้นรูปสัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกําเนิดทั้งสี่มีขันท่าขันมีขันขันเดียวกําลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็คือจิตมันวิ่งอยู่ตามพบเนี่ยมันวิ่งไปในเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ออกจากเรื่องนั้นมาคิดเรื่องนี้ออกจากเรื่องนี้ไปคิดเรื่องนั้นท่านตั้งหลายทําธุระหน้าที่การงานอะไรก็คือท่านอยู่ในสวรรค์อนั้นมันเสวยพบภูมิอยู่ในนั้น ตอนเช้ามาก็เข่าสำนัก ง, งานสายมาก็เข่าสำนัก ง, งานจิตมันก็เข้าไปแช่อยู่ในนั่นแหละออกไม่ได้ซะเป็นสัตว์นรกติดแออันนี้พูดถึงชาติอื่นนรอกไม่ใช่เราโบเธอจะมากโกรธลงตานะอย่าไดวาโบเธอ์เด้อ วัน ว, นวนมันก็เข้าไปทุกเน่ยเจ็บหัวอยู่ในห้องแง่นั่นโอ้ยกูคิดหลายเดยทุกเดททุกเด ท, เด ท, เดทเดวันนี้ก็แค่ได้แค่หมื่นล้านเดกูจะทําให้ต้นทุนสองหมื่นล้านทําไงนาะเนี่ยก็อยู่อยู่ประมาณเนี้ยแล้วเราจะได้ขึ้นสวรรค์ตรงไหนเน่ยสัตว์นรกติดแอร์ดีๆีนี่เองจิตมันก็วิ่งอยู่แต่เนี้ยกรมรูปอารูปลักษณะของไปเนี่ยอยู่ประมาณเนี่ย หรืออย่างมามๆาก็อย่างว่าเนี่ยนะสวรรค์ชั้นรูปอารูปคือติดอยู่กับเรื่องของวัตถุหาวัตถุบางทีก็หาราบยศสรรเสริญชื่อเสียงอารูปอะเ น, นี่ยจิตมันก็พอใจอยู่แค่นี้แต่ถ้าสวรรค์อีกแบบหนึ่งที่เขามองเนี่ยค้นคนที่ติดอยู่ในรูปคนที่ติดอยู่ในรูปนี่เขาเรียกว่าการมาประจานติดอยู่ในอรูปเนี่เป็นอัม อรู ป, ปาวจรอรูปถ้าแปลในขันห้านะเขาแยกออกมามีรูปกายกายนี่หมายถึงรูปอะ น, นี่ส่วนเวทนาเวทนาความพอใจเมตพอใจนะสัญญาความจําสังขารความปรุงแต่งวิญญาณการรับรู้ถ้าเราติดอยู่ในในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยแปลว่าติดอยู่ในอรู ป, ปาวจรมันวิ่งอยู่ในอรูปไม่ใช่รูปและหนึ่งมันติดในรูปคือ สวรรค์บางคนบางขัน้นพอใจอยู่ในรูปชอบรูปสวยๆงามๆชอบอรอประโยวน์มาเนี่ยแต่บางประเภท น, นี่เขาไม่ค่อยให้ความสําคัญเรื่องรูปมากนกะแต่เขาพอใจในรสในกลิ่นในเสียงอย่างหนักเลยเอาใจใส่เรื่องนี้ไม่สนใจเรื่องรูปแต่ชอบติดในเวทนา ในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณความนึกความจํามาดีตอะไรต่านะเขาจะสนุกสนานเพลินวันหนึ่งวันหนึ่งเขาจะไปสวนเสียฮะสนุกเน้นความสนุกทางรูปทางรสไปดื่มไม่คืนเนี้ยนั่นเขาไม่ได้สนใจเรื่องร่างกายมันจะตายมันจะเมามันจะอะไรเรื่องของกายนั่นแต่ขอให้จิตเราแช่อยู่ในเวทนาเป็นใช้ได้ดังวันวันหนึ่งนี่ยพวกท่องนักท่องราตรีทั้งหลายนี่คือเหมือนสวรรค์พวกเทวดา มันมันก็จะติดอยู่ไอ้นี้มันอยากมันอยากให้มีจิตที่มันดีๆแบบสวรรค์ของมันนะแต่สวรรค์นี่อย่าลืมนะมันไม่เที่ยงนะถ้าพูดไปแล้วสวรรค์ก็คือนรกดีๆนี่เองถ้าพูดให้มันใกล้ตัวนะก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่ความรู้สึกนั่นแหละนะอยู่ที่ความรู้สึกเวลาผัดสะเนี่ยมันจะลุดจากความเป็นมนุษย์มนุษย์คือมันเฉยๆอย่างเนี้ยมันเฉยไม่เป็นมันกลับมาตัวนี้ไม่เป็นไปสวรรค์แล้วก็กลับมาไม่เป็นคือสนุกเต็มที่ เขานึกบอกไงสนุกเต็มที่เพลิดเพลินเต็มที่แล้วสุดท้ายก็มันก็กลับมาเกิดในเมืองมนุษย์ก็คือมันมาอยู่เฉยเฉยสังเกตไหมเราชอบใจเราชังเราเกลียดอะไรสักอย่างเนี่ยสุดท้ายใจเราก็มาอยู่ปกติเฉยเฉยนี่มันเฉยเฉยเนี่ยคือมันต้องมาเกิดในเมืองมนุษย์คือมันมาตั้งต้นที่นี่จิตทุกจิตนะทําไมเราไม่เริ่มตั้งต้นที่นี่แล้วรู้สึกตัวที่นี่มุ่งไปสู่ความเป็นอริยะคือไปนิพพานไปเลยทําไมเราต้องไปสนุกสนานทําไมเราต้องไปลงอบาย อบายก็คือที่ไม่สบายอบายยามูมวันวันหนึ่งสนุกลงไปสนุกไปสนุกกับความไม่เที่ยงจะทำให้เสียเว ล, เวลาชีวิตเนี่ยตายฟรีแล้วมีความรู้สึกว่าสวรรค์นเนี่ยมันมีอสาทะมันมีความอริสอร่อยนะมันดึงคนให้ติดตั้งแต่เกิดมาจนป่านนี้ก็สัตว์นรกทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายนี่ก็อยู่แต่ในนี้ไม่สามารถที่จะออกได้ เราต้พัฒนาเออเริ่มจากความเป็นมนุษย์นะนี่เป็นสวรรค์สนุกสนานเพลิดเพินว่าหนึ่งกลับมาบ้านนอนเหมือนเดิมแอะแหล่กลับมาอยู่ภาวะที่ใจสบายสบายลุกขึมาเพื่อจะทํางานแบบนี้แต่พอนั้นมันก็หลงไปสวรรค์อีกแล้วหรือไม่มันก็ตกนรกนี่เราจะไม่บ้าไปกับนรกสวรรค์นะเราจะอยู่กับปัจจุบันเฉยเฉยเนี่ยอยู่กับจิตที่มันปกติเนี่ยไม่บวกไม่ลบนะไม่ขึ้นไม่ลงอยู่ปกติ แล้รักษาความปกตินี้ไว้ไปเรื่อยๆทํางานเราก็ทํางานด้วยจิตที่ปกติกินข้าวก็กินข้า ว, าวด้วยจิตปกติ ท, ทําธุระหน้าที่อะไรจิตสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าสักแต่ว่าสมมติไปตามเรื่องสวมเสือ้อสวมผ้าตามเรื่องไปแต่ว่าให้จิตของเราเนี่ยไม่ให้มันวิ่งไปตามภพภูมิเหมื น, นั้นไม่ให้มันวิ่งไปสวรรค์ทีนรกทีไม่เอาละโบราณเขาต้องพูดไง สวรรค์นในอกนรกในใจนิพพานไม่ไกลหายใจก็ได้ยินเนี่ยแต่เราไม่เชื่อเราคิดว่าทําบุญทำทานเราจะไปสวรรค์ น, น่นอันสวรรค์นั้นนั้นก็ดีแล้วมีไว้ดีแล้วดีกว่าไม่มีไหมดีกว่าไม่มีเพราะว่ามันช่วยในการควบคุมสังคมความเชื่ออนเนี่ยไอคนที่มันไม่ดีก็ให้มันมีสวรรค์นั้นนั้นเป็นเครื่องอยู่ ส่วนคนที่เป็นคนดีไม่มีปัญหาเรื่องนี้แล้วเขาก็จะต้องไปสวรรค์ตามทัศนะของพุทธศาสนาไปนิพพานตามที่ศาสนาพุทธเขาแสดงทัศนะเอาไว้ให้รู้จักพระพุทธเจ้า ม, มาสอนเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่ยิงเนี้วสวรรค์นรกมันอยู่ที่อายตนะอยู่ที่พรรษะทุกมันจะโผล่เมื่อคุณโง่เรื่องพรรษะมีอวิชา เมื่อไม่รู้แจ้งก็จะเกิดสังขารความปรุงแต่งขึ้นมาอาวิชชาคือมันโง่อวิชชาคือความไม่รู้แจ้งเห็นจริงไม่เกิดวิปัสนาญาณขึ้นมาความรู้แจ้งแบบนั้นนะก็จะมีสังขารอาวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือความปรุงแต่งสังขารเมื่อปรุงแต่งก็จะทำให้เกิด ปัจจัยเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณให้เกิดการอยากรับรู้ถ้าเราปรุงแต่งโอ้อันนั้นน่าจะอย่างนั้นเนาะอันนี้น่าจะองงีเนาะมันก็เกิดอยากรับรู้ทางวิญญาณวิญญาณก็มีแล้วโอ้มันน่าจะา ง, งั้นพอมิดหน้าแล้วก็คือมันต้องอยากดูทางตาอยากได้ยินทางหูอยากดมทางจมกูกอยากสัมผัสแต่ต้องสูนบายทางด้านร่างกายมันอยากรู้สึกนึกคิด อยากได้อารมณ์อยากได้อารมณ์ทางด้านจิตใจเห็นไหมความรู้สึกผัสสะอันนี้มันจะขึ้นมาทต่ดีเนี่ยนันเขาเรียกว่าสังขารเป็นปัจจัยทําให้เกิดวิญญาณมีวิญญาณมันก็ อ, อยาสแสดงออกแต่ดีวิญญาณแปลว่าการรับรู้อยากรับรู้พออยากรับรู้ก็ต้องแสดงออกทางไหนวิญญาณจยากขุวิญญาณโสตวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณ มันมีการอยากรู้ดูทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยากพัสสะตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสแค่มีอวิชชาแล้วเนี่ยเมื่อมันไม่รู้แจ้งมันจะมีความอยากเป็นอุปทานสอนเขาห่วงว่าอาวิชชามันปิดบังจิตเราเนี่ยเราเกิดมาคือจิตเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยคือมันถูกสั่งสมอารมณ์มันใส่ข้อมูลไว้แล้วมาพอใจไม่พอใจเนี่ยพอมันแวบขึ้นมามันติดอารมณ์ทันทีเลย มันก็ไหลาตามกระแสเขาเรียกว่ากระแสปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทคือมันเกิดการปฏิจประต่อกันของการทุกข์สมุปแปลว่าการเกิดขึ้นอุ ป, ปะเนี่ยเกิดขึ้นแบบปฏิประต่อของความทุกข์ของความคิดความปรุงแต่งที่มันเป็นพบเป็นชาติเนี่ย มันเกิดขึ้นของความคิดคิดอันนี้แล้วเป็นอันนั้นเพราะอะไรเพราะไม่รู้แจ้งทาไม่เกิดวันปัจจัยปรองแต่งเป็นสังขารสังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็ไหลออกไปทางอายตนะพอมีอายตนะมันก็อยากผัสสะอย่างที่ว่ามีตาก็อยากผัสสะกับรูปมีหูก็อยากผัสสะกับเสียงมีใจก็อยากคิดอดคิดไม่ได้นี่เราพูดนะยอมอยู่กับปัจจุบันนะอดคิดไม่ได้หนูอดคิดไม่ได้ มันอดคิดไม่ได้หนูอดง่วงไม่ได้อดคิดไม่ได้อดง่วงไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีอวิชชาอยู่ข้างในไงเราจึงมาทํารู้สึกตัวนี่เพื่ออะไรใส่ข้อมูลรูล้สึกตัวรู้สึกตัวเพื่อให้ให้มันเป็นตัดสรุให้มันรู้แจง้งอันนี้มันรู้น้อยใส่ฟืนเข้าไปทีละน้อะน้อ ย, น, อยน้อยอัดเข้าไปให้มันลุกโพลงขึ้นมาเมื่อวึมันถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะตื่นสว่างมาเหมือนนีย่ยเราใส่ แรงวัดแรงเทียนเข้าไปในสิบห้าวัดสิบห้าโวล์มันก็สว่างขึ้นมาเนี่ยดอกเนี่ยถ้าใส่หนึ่งมันก็ไม่นี้เราไม่เคยใส่ไฟเข้าไปในใจสักทีเนี่ยไฟไฟความสว่างไม่เคยใส่เราใส่แต่ความร้อนนะใส่แต่นรกใส่แต่สวรรค์เข้าไปแต่ตัววิปัสสนาที่จะไปสู่ตัวนิพพานเนี่ยเราไม่ได้ใส่เราก็เลยมาใส่มันอดไม่ได้ที่จะคิดอดไม่ได้ที่อยากเห็นจะได้ยินได้ฟังมันจะวิ่งไปหาของมันเองจิตเนี่ย ทีเราปฏิบัติทมเนี่ยเรามาใส่ข้อมูลเพื่อสลายไอตัวอวิชชาเนี่ยจะมาล้างอันนี้ออกใหม่ไม่ให้มันมีอวิชชาอาวิชชาเราไม่รู้แจ้งเราก็จะรู้แจ้งซะไอ้ที่มันไม่รู้แจ้งเพราะอะไรเพราะมันเกิดจากไม่รู้สึกตัวเราก็จะรู้สึกตัวซะไอ้รู้สึกตัวเนี่ยเป็นมูลฐานที่ทําให้เกิดการรู้แจ้งเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะไม่โมฆะก็ตรงนี้แหละไม่เป็นโมฆะบุรุษก็จะต้องทําให้มันรู้แจ้งนี่แหละ เราก็มารู้แจ้งซะรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกไปเรื่อยเนี่ยมีสติอยู่ทุกขลีบทเพื่ออะไรเพื่อให้มันเกิดการรู้แจ้งใส่ฟืนเข้าไปหนึ่งวนสองวนสามวนสี่วนห้าวนหกวนอย่างที่ทานปนมนะเขามีไฟส่องสว่างโอ้เป็นพันวัดพันมณนพันว้นะมึงสว่างถึงแม่น้ำกำเนะี่ยเวลาเขาเปิดมันสาดสองเพลง ไปไกลถึงแม่น้ำโคงเน่ยสว่างในใจเราก็เหมือนกันน่ะติดไฟเอาไว้จะเอาไฟมาติดซะความสว่างซะความสว่างอย่างปัญญาแบบความเข้าใจความเข้าใจแบบไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันเข้าใจแบบนี้ชีวิตเนี่ยความใจเข้าใจที่มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรกลับมาได้ว่าจิตมันไม่กําเริบ อ้าวมองไปไกลๆหายใจยาวๆนี่มนพระสงฆนะ์มีวิญญาณวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ยังมีมีผัสสะนะมีผัสสะมันก็มีเวทนานเห็นไหมผลกระทบกเอาละมันเวทนามันเกิดขึ้นติดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมาต่อกันเลยนะมันประติศนะปฏิทิจะสมบประเกิดก็ติดเดียวนะ เน็ตหน่อยจุ๊บจุกจกจกเกิดขึ้นอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตระหัตปัสวินาพอมองเดียวพลุบพอใจนี่มาแล้วอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะหัตสัสวทนาเวทนามาอยู่ที่หเนี่ยที่เจ็ดปฏิเสธวัาตัวที่7็ดพอมองแล้วเราชอบใจเนี่ยเห็นมหมเนี่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตระปัสวิธนามันทำงานมาถึงเจ็ดขั้นตอนแล้วเวทนาพอใจไม่พอใจถ้าเกิด ชอบตันหาเวทั้งนา้ก็เป็นตันหายุดติดคิดเจ้าจังเนาะแบบนั้นนี่ที่พอใจนะเป็นอุปทานขั้นที่แปดแล้วปฏิจจสมบัติทำงานมาแปดขั้นแล้วนะเรายังไม่รู้สึกตัวมีดเรายังไม่ทันสับเลยเนี่ยยังไม่ขาดเลยกูจะตัดห่วงโซ่ของความทุกข์นี้นะห่วงโซ่ของความปรุงแต่งนะเราตัดไม่ทันเลย ป่อยไปตามนั้นเอา้ามันชอบใช่ก็ชอบ ม, มันต้องไม่ใช่ปล่อยไปตามยถากรรมนี่เขาเรียกว่าต้องถอนอุปทานอย่าให้มันมีอุปทานอุปทานคือมันคิดมันฝังเอาไว้เลยมันชอบหน้าตาเนี้ยมันปิ้งกันมา ท, าทันทีรูปแบบแบบนี้ไปเห็นนะ่รมันชอบ ท, ทันทีไปเดินห้างหน่อยไม่ได้นะ มันต้องออกนะัเงินนี่มันจะร้องออออออออมันจยากออกเนะ่ที่แรกกูก็จะว่าไปเดินเอาแอร์เย็นๆนี่เฉอแล้วก็จะออกมาไม่ได้อันนั้นมันก็น่าเอาอันนี้มันกน็เอาเขาก็โฆษณาบ้างอะไรบ้างวันไหววันไหวต้องไหลไปทํานะกระแสกระแสของนรกกระแสของสวรรค์เนี่ยนะจิตสติมันไม่มั่นคง เราตัดมันไม่ได้พอมันประติดประต่อกันไปอย่างเงี้ยปฏิจจะสมบัติคือมันประติดประตอกของความคิดเนี่ยติดต่อกไปเรื่อยๆเยมันพอใจพอใจคือจิตมันพอใจมากขึ้นมันก็แน่นมันแน่นพอมันแน่นมันต้องทํางานนะพอเราไม่สลายมันไงถ้าเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆๆๆๆกหนดรู้เอมันคิดอะไรได้นี่คิดก็ทิ้งไปคิดมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าทิ้งไม่เป็นเอาล่ะถ้าไปเจอคนนั้นไม่พอใจเอาอีกละอโอยโทรศัก็เกิดอีกแล้วเนี่ยนะ มาจากโมหะหลงเข้าไปในความคิดเป็นโลภะอยากได้อยากให้หมอนีหนีไปอยากให้อีนางนีหายไปมันหายไปไม่ได้มันก็จะเป็นโทสะเนี่ยโลภะโทสะโมหะเป็นฐานทำให้เกิดอวิชชาอยู่นี่นะอวิชชาสังขารวิญ ญ, ญาณนำโลกผมหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนม า, มนมากระปั่นป่วนอยู่ภายในเนี่ยลราก็ตกนรกแล้วตรงเป็นอุปทานอุปทานก็เป็นภพอุปทานเป็นภพ พบคืออะไรพบก็คือเป็นโพมเป็นที่อยู่ของจิตมันฝังไว้คือกุึบเข้ามาแต่นี้เป็นข้อมูลนะดิบเลยใส่เข้าไปในเมโมรี่เก็บเข้ามาแล้วเป็นรูปสำเร็จใส่กล่องกุึบไปในใจเห็นไหมมันเป็นความจำหนึ่งละนะสองสามสี่ห้าคนไหนจำมากก็หลายกิกเนี่ยถามพระองค์ตา คอมพิวเตอร์มันเยิ่มเต็มแล้วนะ่จะต้องถ่ายออกเลยโอ้ยคอมพิวเตอร์มันยังเต็มหวัวสมองเธอเต็มไหมไม่เต็มมันมีบางวันวายเออเลอร์ <c ười> คิดมากว่ะวันเนี้ยนอนพักผ่อนก่อนพักผ่อนสลายข้อมูลก่อนมันไม่สลายหรอกมันทําไม่เป็นหรอกเหมือนเดิมนั่นแหละมันก็ะอาดกระมาอาดข้ามากันแน่นแน่นแนไปทําไงล่ะอูไปถวายสังฆทานก่อนเว้ย <c> ห <ười> ลวงพ่อเคาะหัวกระโหลกให้หน่อย ข้อต้ไม้ข้อมันก็สมองเคลือนมันก็โง่กว่าเดิมเลยเนา ะ, ะก็ทำสายโอ้ยบาปกรรมสายพูดก็แบบอุปทานเหมือนเดิมอไปทำให้สังฆาลีวัดทำให้ไทยสารก็อะไรล่ะสืบชะตาไปสืบช ะ, ะตาไปต่อชะตาขอให้มันใจมันมาเกิดดีหนเดี๋ยวนี้มันจะเริ่มเต็มแล้วมันจะไปสู่นรกแล้วมันจะไม่เกิดแล้วจะตายแล้วนั่นนี่หัวเนี่ย เอาให้มันได้เกิดใหม่เอาเขาว่ากันไปตามเรื่องนะสีสีมือนี้เขาว่าไปขเขาเอาเงินเราไปอีกเพราะอะไรเพราะความโง่ของเราเองไปสืบชะตาชะตาคือการเกิดเกิดของจิตเนี่ยเกิดจิตใจดีขึ้นมาเนี่ยจะได้ไปเกิดบนสวรรค์ว้างได้ผุดได้เกิดวันนี้แล้วมันถูกทับถมมากใจไม่ค่อยดีแล้วอึดอัดเนี่ยมันจะตายแล้วเนี่ยตายมันจะตายจากความเป็นคนแล้วนะเนี่ย จะตายแล้วบางคนคิดมากทุกมากกลัวนั่นกลัวนี่มากไม่ต้องการไปไม่ต้องการตายสักลายสักหยน่นปอบเต็มตัวไว้แต่ไม่ได้หมายถึงอาจารย์เนะคือมันมีความคิดเนี่มันมีความคิดมันคือต้องปังป้องกันตัวคือตามเรื่องตามภาษาความคิด ของเราไม่ฉลาดเนี่ยมันจะต้องแบบนั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมินี้อุปทานแล้วก็เป็นพบถ้าเรายึดเรื่องไหนที่ม า, มากๆเนี่ยมันจะเก็บไว้เป็นข้อมูลดิบเลยอยู่ในใจเนี่ยวันวันคืนนี้มันจะคิดขึ้นมาเห็นหน้าเห็นตาคนนั้นคิดถึงคนนั้นมันจะไปเจอนะ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ไปเจอเนาะเดี๋ยวนี้สวรรค์เขามีอะไรเขามีโทรจิต มนุษย์เดี๋ยว น, นี้สวรรค์เดียนี้มันโทรหากันได้ถ้ามันไม่โทรมาเนี่ยโทรหาเนเด้อจำเบอร์ของน้องได้บอกเนี่ยบางทีก็นั่งเงาโง่ยนะไม่รู้จะคิดอะไรได้ยินเสียงอะไรเอกพลมนตการห้องเช่าน้อยๆปากซอยมีร้านเซเว่น เลิกงานตอนเย็นแอบมองเห็นเธอทุกวัน <c oughs> มันก็จําทุกวันทุกวันมันมาเห็นหน้ามันนะดูทุกวันมันก็เริ่มขึ้นมานี่ติดวกติดใจเป็นพบเป็นชาติมันยังไม่เห็นเลยนี่เข้าไปพบไปภูมิแล้วพอใจนี่ไม่เห็นเธอมานานๆแม่บังคับแต่งงานหรือชาวบ้านทําร้ายการดา <c oughs> ไม่เคยฟังเหรอ รอเธอที่ซอยเดิมไ ง, งมันน่าคิดนะก็อยู่แค่นั้นอันเพลงพวนี้ก็คือความโอดครวนของมนุษย์นะมันทุกข์ไงมันตกนรกเสียงตกนรกเสีย ง, ยงร้องไห้โอดครวนมันที่ขึ้นมาเนี่ยมันโอทขรวนมันลคลนัําคนนั้นพระอริยะจึงมองเสียงฟังเสียงร้องเพลงทั้งหลายทั้งปวงคือเสียงร้องไห้ของมนุษย์มนุษย์มันเจ็บปวด เดี๋ยวนี้ไม่รู้เราเห็นแล้วฟังมีไหม body slam <c oughs> มันเป็นอะไรของมันนะโลโซโลเซอะไรก็ว่าไปลองเพียงมันเหมือนมันชักตายจริงๆนะ อ, อันนี้ต้องตัดออกนะ <c oughs> อันตรายนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนลองตาเห็นเขาเต้นเข า, เาตีนเดี๋ยวนี้เอาหัวโอ้ ประหลาดมากบีบอยเอาหัวเต้นก็มีไร้กาศมากมันไลายปนั้นมนุษย์เนี่ยมันเป็นเปลิดอุรุสุรกายตีนชี้ขึ้นฟ้าหมุนอา้าหอมียอย่างนี้ก็มีเนาะวะ่ะไปไกลแล้วเราก็ว่าความสามารถความสามารถเห็นไหมยอมรับได้ยอมรับได้ ม, ไดมันไม่ได้ อย่าให้มันเป็นถึงปานนั้นมันเริ่มแล้วนะเนี่ยเออมันมีอุปทานแล้วเนี่ยเขาเดินมามีวันพอใจไม่พอใจต้องไปทําแบบไอ้หมอ น, นั่นดิบักปล่อยไฟเนี่ยจังสี่มันต้องถอนจังสีต้อง <c oughs> ต้องถอนถอนอุปทานดอกเคยถอนมันบ้างไหมนั้นเลยดิเฮ <c oughs> ้ยกูเริมติดแล้วกูต้องถอนนะเนี่ยต้องถอนถอนอุปทานมาอยู่กับปัจจุบันได้เฉยอยู่กับใจว่างๆสงบสบาย ไม่เอาแบบนี้กูไม่เอาอ่ะอันนี้เราไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจจริงๆพุทธศาสนาก็มีแบบแบบนี้แหละแต่เราไม่เข้าใจนั้นมนุษย์เนี่ยทุกวันนี้เราดูกันเออไม่รู้เขาเล่นอะไรกันเนาะตามเรื่องตามภาษาสิ่งที่แสดงออกมาก็คือมันเป็นภพเป็นภูมิเป็นชาติมันฝังอยู่ในจิตลึกๆที่ผ่านมาเป็นไร วิชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายจตนาพัสสะเบทนาตันหาอุปทานพบชาติเพราะมันมีพบมันฝังเอาไว้สักพักหนึ่งเหมือนเมล็ดพืชเนี่ยเวลาน้ํำถูกฤดูกาลมันมามันจะงอกนะมันเกิดชาติแปลว่าเกิดมันเกิดมันงอกออกมาใจเราก็เหมือนกันมันฝังอยู่ปุ๊บมันเป็นเหมือนเมล็ดพืชเนี่ยเก็บเป็นข้อมูลดิบไปแล้วเหมือนต้นไม้เวลามันจะตายเนี่ย ต้นไผ่แปดเซปีนั้นมันจะตายนะมันจะออกดอกเป็นขีเป็นขุยหล่นตุกลงมาแล้วแม่มันก็ตายต้นไม้นี่มันจเจริญถึงที่สุดน่ะเมื่อไหร่ที่มันออกดอกมันใกล้าตายแล้วมนุษย์ก็เหมือนกันเมื่อไหร่ที่เราออกลูกใกล้ละตายแล้ะหน้าตากระฟ้าขึ้นแล้วตายโกจะมรณะแล้วเนี่ยตายจริงๆนะแล้วเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าหมดสภาพความเป็นคนมีจจะตกนรกในวันหนึ่งเนี่ย นรกรุ่นลูกกูจะมาเกิดแล้วเขาเรียกว่าอะไรปุตตะมโนขุมปุตตะได้นรกมาขุมหนึ่งขุมปุตตะก็เลี้ยงลูกดูคิดมากแล้วทีเนี้ยนะสามีก็จะเป็นแมลงผู้แมลงผึ้งเราไปบินไปตอมทางอื่นแล้วทีนี้ตายแล้วกูก็นอนไม่หลับแล้วทีนี้นอนไม่หลับก็คิดมากนารกก็เพิ่มขึ้นอีกสองขุมสามขุมสี่ขุมห้าขุมหกขุมโอ้ยทุกมากนะทีนี้ทํายังไง เราจึงจะไม่ให้มันงอกเนี่ยมันเก็บไว้ข้อมูลเราต้องเอามาอบมันซะอบอบอบอบอบบมาอบมารมมันทําการพัดเจริญให้อบแห้งเหมือนเขาส่งกล้วยไปอเมริกานี่เอากล้วยทิ่บ้านเราไปเข้ากลุบเข้าเครื่องไปหรือเข้ากล้วยสุกเข้าเครื่องนั้นเหมือนไมโครเวฟเนี่ยได้ยินเขาว่าหรอกไม่เคยเห็นแล้วไปสุกที่อเมริกาส่งทางเรือไปนี่เดือนหนึ่งนะ่ะไปสุกโนน หรือไปเปิดนมันก็พอดีกินได้เลยขายอยู่นู้นแต่ถ้าเดือนหนึ่งเผื่อจะไปถึงเนี่ยเว้ยมันเน่าอยู่ในเรือนนเนี่ยนี่ถ้าไม่มีเครื่องบดเครื่องอบเนี่ยเหมือนกันจิตเราเนี่ยมีวิปัสสนาเป็นเครื่องอบมันให้มันป ก, กติซะมันไม่ต้องงอกออกมานะเนี่ยสลายมันอบรมจิตใจก็คืออบลมไอความรู้สึกนี่แหละที่มันมีอยู่ในจิตเนี่ยอ๋ออยากโยมไอได้ไอดีเนาะพุนน่ะ นั่งนานแล้วปวดขาชาดินี้ชาดสุดท้ายนะไม่เอาอีกเลยนะโยมทั้งหลายทั้งปวงไปทปําบุญนึกษาธุชาตนะิหน้าเกิดมารวยกว่านี่ <c oughs> <c oughs> เกิดมารวยกว่านี้แล้วมันแก่อีกได้มันเจ็บมันตายได้โรคภัยไข้เจ็บ <c oughs> ขอให้พระเจ้าไม่มีโรคเอดนะชาตหนะ้าเนี่ยไม่มีโรคมะเร็งนะโรคเบาหวานนะ มันเป็นไปไม่ได้เพราะเมืเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยยุคนี้ก็ยิ่งยากลำบากอาหารการกินก็เป็นแบบใบสั่งทั้งนั้นนะเป็นอาหารผ่านโปรตีนฮอร์โมนที่เขาบดออกมานะเรากินอะไรก็ตามนะผักอะไรกินกันมิตรสารพิษไก่ KFC ไปกินดูดิกินไก่ KFC ก็คือไก่หัวอาหารนั่นแหละ เราก็บำรุงด้วยหัวอาหารเลยเนี่ยพวกเราเนี่ยโอ้ยมนุษย์หัวอาหารทั้งนั้นแล้วมันก็โตขึ้นมาตัวมันมโลกเราลูกเราก็โตเร็วโตเร็วนะแต่โครงสร้างมันไม่เหมือนกันเห็นไหมไก่บ้านกับไก่หัวอาหารมันไม่เหมือนกันนะหมูน้อยหมูกี้กับหมูพันุ์นี่ก็เรื่องกันนะเดี๋ยวนี้เราเป็นมนุษย์ซีพีหมดแหละมนุษย์ซีพี คือเขาเลี้ยงโดยการขุนเราทั้งหมดนะงนั้นกิเลสของเราใจเราก็เหมือนกันถูกขุนเลยเนี่ยถูกป้อนข้อมูลนะ ญ, ญี่ปุ่นขุนเราเลยเนี่ยมันใส่ข้อมูลมาหมดเลยตั้งแต่เครื่องตัดหญ้าตัดลำไล่ทำนาไฟฟ้าน้ำประปาตู้เย็นพัดลมทีวีพวกเนี่ยเดี๋ยวนี้เกาหลีช่วยขุนเลยเนี่ยซัมจุงเนี่ยซัมจุงซัมจุง โทรศัพท์ี่หอ้อซัมจูงมาซ้ำเรามาจูงเราไปอีกนะโทรศัพท์มือถือแล้วก็ซําจูงจูงเราอยู่เรื่อยๆนะแต่ก่อนนั้นอะไรอ่ะโตสิบ้าโตขึ้นมาจะไรบ้าทุกทีนะโตสิบ้าโตสิบ้าซําจูง มีแต่ของไปเป็นทุกตลอดเวลาแต่ก่อนอยู่บ้านนอกเราไม่มีใครมาซ้ำมาจูงเรานะไม่มีใครมายั่วมาอะไรไปเรื่อยเรื่อยๆเร่อๆมันก็สบายแต่นี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้ววิธีชีวิตมีในเรื่องในใจในมีกี่เรื่องอเลี๋ยวนี่ยเขาบอกว่าในจิตของเรานี่แปดหมืนสี่พันประธรรมขันแปดหมื่นสี่พันเรื่องที่มันอัดแน่นไว้เนี่ยนั่นแเกิดมามันสะสมมากๆมา ก, มา ก, มากๆเนี่ยยิ่งคนไหนคิดมากจำมากอะไรก็มีเยอะแยะคิดมากจำมากขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์ คิดถึงพ่อแม่หรอือคิดถึงพี่น้องหรอือคิดถึงใครก็ตามนะ่ะที่มันเป็นข้อมูลนี่พอมันเป็นเมล็ดที่มันฝังไว้ข้างในอีกสักพักหนึ่งพอพอเหตุปัจจัยมันพอเหมาะผสมมันแตกงอกปั๊บขึ้นมามันงอกขึ้นมาในใจแล้วแต่เรื่องนี้ขึ้นมาอีกแล้วครั้งนั้นนะ่ะมันทํากูนะเนี่ยอทั้งนี้คนนี้ไปไหนแล้วนาะคิดถึงขึ้นมาแล้วนะในใจเนี่ย มันรูปขึ้นมาเนี่ยมันงอกขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่าชาติมันมาเกิดที่จิตนรกสวรรค์อะไรแต่มันเกิดที่จิตพบพูนอยู่ที่จิตหมดเลยเนี่ยคือเราไม่มาสลายมันะไม่มาสลายข้อมูลนี้มีน้ำซ้ำไม่ธรรมดาเก็บไว้ดีมอันอื่นมาผสมลงเข้ามาน้อ ย, อยกลายเป็นเชื้อไวรัสขยายเชื้อเต็มไปหมดเลยเครื่องมันต้องมีมีโปรแกรม มีโปรแกรมทำลายไวรัสอันเนี่ยในจิตคนเนี่ยส่วนมากเอาแต่เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ในจิตตัวเองเอาแล้วโลภะโทวีศัเกิดแล้วไม่เคยสลายอันเนี้ยมึงอย่ามายุ่งกูได้าอารมณ์ไม่ดีเด้เนี่ยมันติดอยู่ไปเนี้ยพอมีชาติมันก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นอารมณ์นี้มันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, น, นสักพักหนึ่งมันก็ฉลานะแล้วเบื่อน่าแล้วเคี้ยกินมานานความคิดอันเนี้ยจมอยู่มันเนี่มันก็เริ่มฉลาลง พอจลาปุ๊บมันก็ดับไปตัวนี้นะเรื่องนี้มันดับไปแต่พอมันดับไปเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของอวิชชาไงมันเกิดมาจากข้อมูลของความไม่รู้แจ้งเหมือนสัตว์นรกนี่เขาบอกว่าตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกนรกเนี่ยมันไม่ตายตายเลยนะตายแล้วมันเกิดอีกนะเว้นไว้แต่จิตอันนี้มันจะได้บรรลุธรรมถ้ามันไม่บรรลุธรรมมันตายแล้วมันเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกก็คือคิดแล้วก็คิดอีก คิดแล้วก็คิดอีกกามาวา จ, ร, าวาจ ร, รูปาวาจรอรูปาวจรวนเวียนไปอยู่แถวๆนี้แหละมันไม่ออกหรอกวันมาหนึ่งนี่หมุนไปอย่างนี้คิดถึงรถถึงลาเราไปเกิดเปด็นรถก็คิดถึงรถ อ, อยู่ในครอบในครัวพ่อแม่พ่อเมียลูกเต่ามันก็ไปคิดอะ น, นั้นขึ้นมาแล้วก็งอกถ้าเราไม่ดับไม่สลายไม่ตากแห้งมันเนี่ยเขาเรียกว่าไม่อบรมเขาเรียกอบรมจิตอบรมจิตบัาลังกก็เรียกไง แต่เราไม่เคยอบเอาอะไรมาอบเอาสตินี่อบลมเนี่ยไม่ให้มันวิ่งออกไปทำไม่ได้ก็ไปเอาเข้ามาให้มันละเอียดลึอยู่ในอบลมดูมันดูกระทั่งมันสลายจนที่ว่าความคิดตัวนี้เกิดขึ้นมานี่มันไม่มีแล้วเกิดขึ้นมาไม่มีอารมณ์อะไรเลยเกิดมาระดับเกิดมาระดับไม่มีเกิดแก่เจ็บตายปกติมันเกิดมาแล้วมันจะแก่อย่างนี้ว่าอารมณ์มันแก่แก่แล้วมันก็ตายดับไปแต่มันก็ฝังไว้เป็นเมล็ดอีกเนีมันเป็นเมล็ดอีกเพราะเราสลายตัวนี้มันไม่ได้แต่ถ้าเราอบตัวนี้มันแห้งมันตายไปแล้วมัน มันไม่งอกเป็นมเมล็ดอีกจำไว้อีกคิดมาแล้วเหรอจำไว้อีกสองครั้งสามครั้งสาครั้งสครั้งเฮ้ยไม่ไหวไหว้ต้องหาเงินต้องไปหาเขาให้ได้แลว้วว่ะมันอึดัดแล้วนะนี่มันแน่นมันคิดหลายรอบนะต้องไปเน่ยพอไปปุ๊บก็ไปสะสมอารมณ์มาอีกมันเป็นทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์แล้วทุกข์อีกนั้นขบวนการของการดําเนินชีวิตของมนุษย์นี่คืออะไรคือปฏิกิริยาของทุกข์ที่แสดงออกมาทั้ง ก็อยู่ภายใต้ของนี่ยความโลภโกรธหลงเนี่มีแค่นี้เราสองกูเป็นนั่นนั่งกูนะกูนะกูอะไรอ่ากูทุกข์แต่เราก็ไม่รู้แบบกูทุกข์กูเจ็บกูปวดกูเมื่อยกูมีนั่นกูรวยนี่มันก็คิดไปตามภาษามันนั่นแหละแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นปปุริยาว่ามีแต่ทุกข์ตอนนั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ตอนนั้นดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับแต่ฐาคดสอนเรื่องของการดับทุกข์ เจลามลนะปุ๊บไปมาทีเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันมันดับมันสลายหาย ไ, ไปไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดนะคิดขึ้นมาเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะจมลงแบบนี้นะเวลาเป็นเรื่องไปเรื่องมาสุดท้ายเฮ้ยชางหั ว, ม, วมันเดียวมัน่าก็คิดมากแล้วนะโศกะปริเทวทุกขโทมมณอุปายาตโศกเสาเสียใจพิไรลำพัน ปริเทวะทุกโทมมนัตทุกกายอะไรที่เนี้ยเศ้ามองร่างกายก็เริ่มฟ้าขึ้นหน้าละ ท, นน ท, ทุกใจเนี้ยโทมมนัตทุกใจเนี้ยโศกับปริเทวะทุกโทมนัตอุปา ญ, ญาตความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแกนใจทั้งหลายทุกโถตินานะอันนี้เรียกว่า เป็นผู้มีความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกข์าเปรตตาสิทุกหัดซาดหนาปุด้ดนะความทุกข์อันนี้ที่ฝังอยู่เนี่ยจะทุกข์อีกพบหน้าก็จะทุกข์อีกนะเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยทุกข์าเปรตตาอเปวนามิมัสะกีวาลาสะทุกขขคันดัสะอันตะกีหยะปัญญาเยธาติทมจะไหนาการทา ท, าที่สุดแห่งกองทุกมันเป็นกองนี่ออยะอัญะเนี่ยน่ย เป็นกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแกได้ทำห้ทุกมันจะปรากฏชัดไม่ให้เราหลงไปลงมาเนี่ยให้มันชัดขึ้นมาเลยเธอเอากูจะมาดูเห็นไหมเช่นชัดขึ้นมาตายพอดีคนไม่มีสติเนี่ยความทุกข์มันชัดมันทับเราเลยนะอยากกลับบ้านงนเห็นไหมทุกทับละมึงหืมหนูอยู่ไม่ได้มันจะอยู่ได้ยังไงมันมีสติมันสู้มันหลอกเราอ้หนู มันไม่มีตัวตนมันเป็นความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกที่เราใส่ข้อมูลน่ะเรามีนั่นมีนี่มีนี่มีศินมีทรัพย์สมบัติมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีนั่นมีนี่มันยังไม่แจ้งไงมันไม่แจ้งจิตมันไม่แจ้งมันมืดมันคิดกรรมานเรืองมันมืดไงอย่าไปกลัวทุกอย่างเป็นอนัตตาอนัตตาคือมันไม่มีตัวตนคุณรู้สึกเฉยๆดิเมื่อกี้มันก็ไม่มีใช่ไหมมาจากบ้านนะว่าหนูจะสู้ตายหนูจะสู้ตาย แต่พอปฏิบัติได้นหนึ่งตายพอดีเลยมันสู้ตายเนี่ยไม่มาสู้จนตายมึงไม่เอาสู้แล้วตายไม่ไหวเนี่ยคือคิดดีแล้วมันไม่มีไหนใจมาจากบ้านมันกระวังว่างแต่พอเดินไปเดินมามันเริ่มขึ้นมานะอวิชชาสังขารวิญญาณนามลุกไสจตนาปัสวิจตนาโนปมันเริ่มเป็นพวกวิญญาณบีบทับเราแล้วตายกูกูต้องไปเกิดชาตินั้นนะก็ไปเกิดภพนี้นะภพที่มันฝังอยู่แล้วมันคิดขึ้นมันทั้งวันทั้วัน มันเหมือนเลยเหมือนเอายางมาลัดมือเราเนี่ยรัดสองรอบสารอบสี่รอบหรอบหรอบเ็รอบลัดมาลัดมารัดมานี่เนี่ยมันเจ็บเนี่ยมันเจ็บมันอึดัดวิธีการในไม้ในหมายเขาว่าต้องวิ่งไปตามที่มันจูงนะต้นเอาประทานมันจูงเราไปแถนไหนไปแถนนั้นน่ะมึงต้องมาทถนนี้นะมือต้องอยากอยู่นั่นนะมึงต้องมากินมันซะไม่ใช่วิธีการคือทําให้อันี้มันปล่อยเพราะมันปล่อยมันก็จะปกติของมันนะเนี่ยทําให้อันนี้มันปล่อยทําให้ตัณหามันปล่อยแต่ตัวตัณหามันเป็นอารมณ์ มันไม่ใช่ของจริงเราตัดอารมณ์นี่ซะให้มันปล่อยมันวางซะมันก็สบายพอมาสบายมันก็ธรรมชาติของมนุษย์เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยไอ้ตัวตัณหาตัวกิเลสตัวความยึดมั่นถือมันเนี่ยมันก็ตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์เราเลยไม่ไม่เอาไตรลักษณ์เข้ามาดูมันเพราะสติเราไม่พอสมาธิเราไม่มีการที่เห็นที่เฉยไม่ได้คือเห็นอะไรเรามต้องคิดตาม เห็นอะมันต้องคิดตามมันต้องนึกตามมันต้องอยากตามจิตมันเลยติดกับความคิดความอยากมาเนี่ยแต่ถ้าเห็นเฉยๆซะมันก็จะวางลงไปโอ้ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองเนาะมันสักแต่ว่าตากระทบรูปมันสักแต่ว่าหักระทบเสียงก็สักแต่ว่าจมูกกระทบโอ้มันสักแต่ว่าเนาะการเกิดแก่เจ็บตายสักแต่ว่าเนาะโกโกมึงมึงสักแต่ว่าเนาะเป็นธาตุเป็นก้อนทุกขอยู่ร่วมกันเฉยๆประคองกันไปมันก็เท่านั้นเองน่ะ นั่นแต่ว่าตาตาตามันเป็นเช่นนั้นเองทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นเองเพราะอะไรเพราะมันเราตัดกระแสนี่ไม่ได้มันมีผัสสะเราก็ไม่ตัดผัสสะมีเวทนาก็ไม่ตัดเวทนาปล่อยมันคิดมันปรุงแต่งเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นเป็นอุปาทานเป็นภพเป็นชาติเป็นชรามรณะโสกับปริเทวะทุกขโทมรณะอุปาญาตทุกแล้วเนี่ยเป็นอุปาทานทุกพอมันทุกเหมันแวบลงไปสงเกลียดใครสักคนเนี่ยแทนที่มันจะดับไปเลยได้เกียรติแล้วก็จบไปไม่ใช่นะ มันวกกับคืนมาอีกมันฝังว่าเห็นหน้าอีกมันเอาอีกแล้วเวลามันรักรักอีกแล้วมันจะวนไปวนมาอยู่นี่กระบวนการของทุก์เนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นเว้นไว้แต่เราจะทําลายต้นตอมันซะคือตรงที่มันมีอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งเนี่ยคือมันไม่รู้ว่าอะไรจริงๆในความคิดเป็นทุกหรือความปรุงแต่งเป็นทุกทําไมเราจะจึงแจ้งซะเราก็มาทําให้มันรู้สึกตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ารู้สึกตัวสตินี่เป็นแม่ของทำทั้งหลายทั้งปวง ถ้ามีสติก็จะกลายเป็นสมาธิเป็นปัญญานะเป็นวิชาเป็นการรู้แจ้งเขาไปสลายความไม่รู้ในทุกนี่จิตใจเขาจะรู้ตื่นเบิกบานกระปวนการของปฏิจจสุบาติมันก็ไม่เกิดในจิตเรามันก็จะมีภาวะอะไรพอรู้สึกตัวปุ๊บก็เอาปรากฏขึ้นแหละจากขุ่งอุตปาติญาณุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอาโลโก อ, อุตปาติ สวดนะจาก ส, ส, สู่เกิดขึ้นแล้วแกเราญาณเกิดขึ้นแล้วแกเราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแกเราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแกเราวิชาเกิดขึ้นแล้วแกเราในธรรมที่เราไม่เคยมาฟังมาแต่ก่อนว่าทุกสมุทัยนิโ ร, รธเหตุเกิดทุกทุกเหตุเกิดทุกวิธีดับทุกการดับทุกในอริยสัจเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ที่สวด มีไหมมันไม่หนี้นะจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราจักสุก็คือดวงตาเห็นทำไงดวงตาคือตาในคือสติเนี่ยเ น, นสติเราก็ไม่เคยใช้ตาในเนี่ยเราใช้แต่ตานอกเดี๋ยวนี้ตานอกอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับลงตาไปเช็คตาอยู่ทุกเดือนนะเบาหวานมันจะขึ้นตาแล้วก็จะตาบอดแหละเวลาสอนคนจะมีไม่มากสั้นเข้าทุกที เขามีน้ำตาเทียมให้มาหยอดนะเนี่ยลงนตาเพิ่งรู้อย่างที่มีน้ำตาเทียมต่างหากน้อน้ำตาเทียมมาหยอดตาให้มันมันลื่นตามันลื่นไหลในขณะที่ลงตาไปเอาน้ำตาเทียมเห็นลหลายๆคนเขามีไปเอาเลนเทียมก็มีนะเขาจุ่มๆน้ำแล้วแลกักั บ, บังเอา้าหายไปเลยเนาะมันไม่ใสแว่นตานะพวกนั้นจะเรียกว่าอะไรคนแทกหรอเออคนแทกโอ้ ใช้ตาไม่มีประโยชน์เลยพวกนี้แต่บางคนก็ไปยังไงทำวิธีดึงหน้าไปไว้ด้านหลังเอามาห่อไว้ทางงอนไททยอยดให้มันตึงกันมาคนดูจะได้ดูดีเวลาเขาล้างหน้าเขาไม่ได้ทำแบบเรานะเขาชุบเขาแตะแต่เอาเขากลัวมันเหี่ยวมันย่น เขาเป็นอย่างนั้นห้องเขาอะทุกมากตาเนี่ยมันหนังมันจ่เขาก็ไปดูดไขมันออกแถวๆนี้ถ้ามันไม่เป็นชั้นมันไม่สวยเขากลัวจะเป็นห่วยเขาก็ไปทำตัวนี้เหงตัวนี้ให้มันเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมาบางคนเวลาแก่เข้ามาขนนั้นนี้มันไม่ค่อยมีนะของพระนี่เขาโกนอกเลยนะแต่คนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีเขาก็จะไปสักถาวร <c oughs> กันน้าไหลลงมาได้ ไ, ม, ไม่ได้นะ <c oughs> แต่ก็ต้องทําไว้ทําไว้ให้มันมีสักเาวนเพราะเก่แล้วมันลงมาต่ําๆลงมาอยู่ทางนี้โอ้ยไปสักเพิ่มใหม่ <c oughs> ตาสองชั้นคิ้วสองนันเลยที่นี้หน้าสมเพศเวียดนาม <c oughs> เขาอยากได้งไง <c oughs> วันก่อนลงตา ย, ยืนอยู่ในดอยสุเทพบันในทางขึ้น มีคนอุ้มหมามามันอุ้มหมามาหมามันตัวเล็กๆ เ, เหมือนกวางนี่แหละสองคนนะคนนี้ก็อุ้มมาคนนี้ก็อุ้มมาสิ่งที่น่าแปลกประหลาดก็คือพกเธอรู้ไหมเจ้าของหมานะ่ะเจาะหูเจาะจมูกเขาก็มีอันนี่ห้อยมีตุ้มจมูกนะนนอุย้ย ลงตาดูมันนะตัวตาก็ยยืนห้อยไปนี้เนาะที่สําคัญคือหูหมามันก็เจาะมันใส่เป็นแบบเหมือนเพชรนี่นะมันฝังฝังแล้วเลียงกันไปดูแล้วหูหมาเนี่ยด้านละห้าอันมันใส่น่ะหมาตัวเล็กๆเนี่ยมันหนักหูก็แทบตายแล้วลงตาว่ามันก็ใส่ให้เหมือนเจ้าของมันเปียกเลยมันอุ้มมาสองคนนะนุงกระเกียงขาสั้นผู้หญิง นี่ยอ้วหมาก็มีความสุขความพอใจคนได้มองหมามองหูหมาหูคนเลยสึกพอใจลวงตาก็่จะมองดูหูมึงธรรมดาครูก็ไม่เคยเห็นนะหูมึงก็ยังบอกว่าเอาไปก็ต้องหูหมานี่ว่าเจาะมันอีกถ้าก็เลยติโอ้โลกมนุษย์โลกมนุษย์ว่ะโลกมนุษย์มันมาดอยสุ่เทพเราก็ดูดตาไปสมัยตั้งแต่ รถรางเขายังไม่มีต่อมาก็มีรถรางรถรางก็ห้อยไว้เฉยๆเดี๋ยวนี้เป็นสถานีนะเดี๋ยวเนี้ยรถที่มันวิ่งขึ้นไปเนี่ยนะไฟฟ้าเนะี่ยเป็นสถานีนะมีตึกมีอะไรต้องเข้าคิวซื้อตัว๋วซื้ออะไรนะเดี๋ยวนี้ยมันไม่เหมือนเดิมนะคือคนมืดไปหมดถ้าขึ้นไปข้างบนนี้ได้ขยับทีละน้อยละน้อยยังกระสุนจะทุจริงคนทุกว่านี้มันเยอะขนาดนี้เลยเลยหลงตาก็เลยโอ้ยปลงวะ่ะ กูยืนปลดสัตว์อยู่แถวๆที่นี่หรือบปาก็ยืนแถวเขาขายไสอัวนั่นแหละไ <c oughs> สอัวค่ะออขายดูอินนางสายแล้วลูกมันขายไสอัวน้มก็โอ้ <c oughs> เขียนไม่รู้กี่เขียนตาเท่าคนหนึ่งกันั่งพีงนั้นเอาเงินมานับโอ้ลุงคนนี้แก่จังเนาะลงตาคิดในใจ อายุก็แก่มากก็นับเงินนะกูโก้คนจับวิ่งไปไม่ได้เลยเขาจะเอาแล้วเนี่ยเขาไม่สนใจนับไปนับมาที่ไหนตาจีแกนั่งอยู่แก่ๆงอมๆเนี่ยแกถือรัตตอรี่ยกขึ้นมาท่านครับรางวัลที่หนึ่งอยู่ที่นี่รางวัลยืนหนึ่งอยู่ที่นี่ลงตาก็เลยเดินไปไกลโยมทําไมไม่เอาเองไปยุ่งกับเขาแล้วโลตาก็ไปาไมบอกคนไปรางวัลอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่นี่ น, ไมไม น, น, น, นี่ย ถ้ารู้ว่ามันอยู่ที่นี่โยมก็เอาเองดีมันก็เลยมองหน้าเราลงตาท่านมาจากไหนเดินมาทางน้วนวะกลัวมีปัญหาแล้วก็เลยเดินรีบไปพอลงตาเดินผ่านห น, หนึ่งเห็นคนกลัวเข้าไปซื้อเลยนะเขาคิดว่าพระไปพูดหละมัง้งซื้อเลยราวันที่หนึ่งนี่นี่นี่เขาบอกว่าใจหลักกลับมามันไม่ใช่มวมาจะบอกอย่างนี้มันต้องถอนเดยวก็ไม่กล้าพูดเฮ้ยไปเรื่อยๆกูอะ ไปยุ่งกับโลกนะมันไม่รู้จะว่าอย่างมันเป็นเรื่องเด็กทั้งนั้นน่ะเรื่องเด็กเด็กคุเนี่ยมันเป็นความคิดความแลไรเป็นเรื่องของเด็กเด็กไปหมดโอ้ตายไปหมดเนาะแล้วมาสมเพลเวียดนามตุ๊ดสองตัวต้วน้นหลอกมันใส่กางเกงห้อยเอาแต่ดากมาก็ไปซื้อไส้อั่วนั่นแหละ เส่ยอ้วงให้ผู้สาวเขามีผู้สาวนะผู้สาวมาเนี่ยสองคนแฟนเปล่าไม่รู้นะผู้หญิงแท้ตัวนั้นแต่ทั่วผู้ชายแท้นี่มันใส่กระเป๋าแล้วห้อยอะไรไอ้ผู้หญิงก็ซื้อใส่อ้วงมาแล้วก็ป้อนให้ไอ้ตัวตุ๊ดเนี่ยตัวงูไ ก, ก็แหนกินผมตาเฮ้ยมึงมาแหนไก่กูนะนี่าวะก็ป้อน ก, นก็กินทีละ น, น้อยแล้วโอว้ดูมันมีความสุขมากนะที่มันเป็นแฟนเป็นตุ๊ดเนี่ย ไอคนนี้ก็เป็นเหมือนเท่าแก่นะจ่ายแหลกเหมือนกันนะไปอยู่ในนั้นโอ้ยทุกขเยอะมากเนาะมันเพี้ยนไปเนะีโลกมนุษย์เนี่ยผู้ชายมันหายไปหมดโอดตายอย่างดีใจเนีน่มีผู้ชายมาปฏิบัติธรรมเยอะเนี่ยในเนี่ยปกติไปสนามในสนามนมีแต่ผู้หญิงนะมีแต่ผู้หญิงผู้หญิงเขาปฏิบัติธรรมผู้ชายมีน้อย แต่นี้มีผู้ชายเยอะเป็นนิมิตหมายที่ดีมากนั้นโลกก็มีอยู่แค่นั้นอวิชชาสังขารวิญญาณนามลูกสลายทุนภพสเวทนาตนาอุปทานพบชาเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาสิ่งที่เราควรทำคืออะไรก็มีสติทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญานะมีสติปุบ๊บจากวิชาก็จะเป็นจากอาวิชชาเป็นวิชาจากสังขารก็เป็นวิสังขารละ วิสังคันคือความรู้แจ้งเข้าใจตามความเป็นจริงก็เกิดวิญญาณเกิดอะไรตามธรรมชาติแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วคือดับทีนี้มันไม่ย้อนกลับนะมันไม่ไหล ย, ย้อนกลับถ้าปฏิจจสมบัติายเกิดทุกเนี่ยมันมันย้อนกลับมันวกกลับไปกลับมาแต่นี่ไฟดับทุกนี่โรธะคือไฟดับทุกมันไปดับแั้วปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเบอกไงว่า ท่านทั้งหลายจงปฏิบัติทำให้เห็นการเกิดดับให้ทำมันเกิดแล้วมันดับเด้เรื่องไหนขึ้นมาในใจนี่เกิดแล้วให้มันดับอันนี้มันคิดมาแล้วก็ดับไม่ใช่เกิดแล้วก็แก่เจ็บตายกลับไปกลับมาหมุนไปหมุนมาพอใจเรื่องนี้กลับไปกับวกเข้ามาในใจอีกเนี่ยคือมันเกิดมาเครื่องไหนแล้วดับมันได้เรื่องนั้นเอาไฟจี้มันเลยความคิดตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วจี้มันคือกําหนดรู้มันแล้วดับไป พระโสดาบันคือผู้ได้สติมีสติมาแล้วมีสติเป็นอาวุธแล้วเห็นอ น, นิจจังทุกขงังนาตาในขันห้าแล้วพระสะกิทาคามีสกิทาคามีสักกิ้งแปลว่าข่าวเดียวนะสะกิทาคามีคือจี้ข่าวเดียวเวลามันพูดขึ้นมาปุ๊บเขาจี้แบบก็ดับทันทีเลยสกิทาคามีคือจี้ข่าวเดียวแล้วมันดับเลยกําหนดรูท้ทีเดียวระดับไปแต่บางคนจี้สองครั้งสาครั้งสี่ครั้งมันไม่ดับแต่กระจายไปเลยเป็นอวิชชาสังขารวิ ญ, ญญาณ สกิทาคำมีคืเห็นระดับกําหนดรู้ครั้งเดียวระดับของเรานี่รู้สองครั้งสามครั้งรู้แรงภายในมันก็เหมือนมันฟันไม่เข้าอ่ะมันฟันเหยนินความคิดเนี่ยฟันทีไรมันไม่เข้ามันแตกกระจายเป็นหลายเรื่องหลายอันขึ้นมาเนะี่ยนั้นสติคุณต้องขมไงสติคุณต้องขมมีทั้งคมทั้งน้ําหนักสติคือรู้สึกตัวที่เราต้องทํำเยอะๆเพื่ออะไรต้องใทำเ ป, เ, ปเป็นสมาธิ เหมือนมีด่งนะมันมีทั้งคมทั้งสันเวลาฟันนะชุกทีเดียวเลยสติคมตรงไหนคมตรงที่ตัดความคิดที่มันขึ้นมาตรงความโลภโ ก, กลงขึ้นมาทีเดียวนะขาดไปเลยโยมคนหนึ่งลงตายเจอทางลําพูนเนะาะปฏิบัติธรรมนะเป็นนกมาเรงเมืกก่อก่อนในวัดให้กระวนกระวายเขาว่าเป็นมาเรงในมดลูกนะไปสอ่องกล้องไปตัดมันต้องคิดต่อทางคุณหมอยัไงไงเนี่ยต้องพาไม่ต้องนัอนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีอ่ะ คือไม่มีอารมณ์แบบนี้ปฏิบัติธรรมไปเจอเจ้สามีเขาก็ดีใจมากว่าจิตภรยาเขาดีไปหาหมอก็หาหมอธรรมดาจนหมอก็าถามว่าคุณไปทำอะไรมามาเรลงมันก็ลดลงล ด, ล ง, ล, ดลงเหลือท่นนั้นเซนตอนนี้มินแต่นั่นคืเดียวกันคุณทำให้สดใส จ, จังน่ะเขาว่าโอ้ไปสร้างจังหวะกับล่งตามาปฏิบัติธรรมมาปีที่แล้วปีที่นี้เจอกันสดใสมากผ่องใสและเดิน หลวงตาขำความง่วงว่ะขำความคิดว่าปีที่แล้วเอาชนะ ง, ง่ายง่าปีนี้ทำไมมันเยอะจังบกนะเขาก็ได้อารมณ์ได้สติขึ้นมานะ่ะจิตใจดีฟ่องใสอารมณ์ดีนั่นมะล็งก็ไม่กลัวปกติคนนี่จะคิดมากนะคิดมากฟุ้งซ่านมากหลวงตายังคิดเลยว่าพวกไปทําอะไรนะพวกธรรมะบําบัดโรคละเอียดนะมันไม่ได้เข้าถึงจิต ไม่ได้เข้าถึงใจมันก็คิดเหมือนเดิมมันก็ปรงแต่งเหมือนเดิมแต่ถ้าฝึกสติให้มันมีสติหน่อยมันรู้เท่าทันอารมณ์เนี่ยมันก็จะสบายคือเป็นอะไรก็เป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าจิตมันไม่ทุกข์ด้วยนั่นเองคือมันเกิดขึ้นมากระดับเกิดขึ้นมาดับเกิดมากระดับมันดับมันสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าการที่ความคิดมันสั้นเข้าสั้นเข้าเนี่ยมันไม่ยาวเขาเรียกว่าพบชาติมันสั้นทําให้พบให้ชาติมันสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้า การปรงแต่งเนี่ยมันสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้ามันเกิดปุ๊บดับจนกระทั้งว่าพระของพระพุทธเจ้านะของพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยคือภพชาติมันไม่มีมันไม่มีภพไม่มีชาติมันไม่รู้จะไปเกิดตรงไหนมันไม่มีอะไรที่จะเกิดจะดับอีกแล้วมันสิ้นสุดการเกิดการดับแล้วมันดับสนิทแล้วมันไม่มีอะไรแล้วของเรานี่มันยังเกิดอยู่เกิดแล้วมันยาวเป็นเรื่องยาวๆเป็นเรื่องสั้นๆ มันก็คล้ายสั้นเข้ามาวันแรกๆนะท่านยาวกว่านี้นะวันที่สองที่สามที่สี่ท่านจะสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าท่านตัดให้ทันตัดให้ทันและลึกลุ้งให้ทันเนี่ยมันสั้นเข้าแต่ถ้ารู้สึกว่าเวลาตัดความคิดแล้วมันตัดไม่ไม่ได้เนี่ยมันไม่ขาดเนี่ยแสดงว่ามีดมันไม่คมรีบมัรู้สึกตัวใหม่แลหลายคนนะใช้วิธีการดูความคิดเลยดูความคิดมันไม่ขาดมันพาความคิดมันลากไปเลยหลวงพ่อเทียนท่านใช้คาว่าแมวปฏิบัติทำเนี่ย เหมือนแมวตะคุบหนูแมวต้องให้อาหารแมวเยอะๆความคิดเหมือนหนูจริงๆหนูนี่มันจะแพ้แมวอยู่แล้วแต่แมวเราไม่ได้กินข้าวไอสติเรานี่เราไม่ได้สะสมมาตั้งแต่เกิดนี่ไม่ได้สะสมเลยมีแต่คิดกับคิดมีแต่บำรุงหนูหนูเลยเป็นหนูระดับอะไรละ่ะนะมันโตมากแล้วมันหลายตัวที่นี้แมวนี่มันพร้อมสติเหมือนแมวเราก็ม่ให้อาหารแมว รู้สึกตัวขยันไม่หลับนี่วอนทั้งหลายเป็นอาหารของแมวนะอาหารของอวิชาคือการมาฉันทะพยาบาทหงุนหิดอึดัดขัดเคืองทีนี้มีทาง่วงเหงานอนฟุง้งซ่านลำคาญใจสงสัยลังเลพวกนี้อย่าไปให้อาหารมันคุณต้องให้อาหารคือรู้สึกตัวไม่ปรุงแต่งไม่ง่วงไม่เหงาตัดความคิดออกไปเรื่อยรู้สึกตัวเรื่อยมากขึ้นๆตัวแมวมันโตโๆขึ้นโตขึ้ น, นไม่ต้องให้แมวไปไล่แต่คบหนู หนูมันวิ่งหนีเองเมาไปแล้วแล้วปล่อยแมวเข้าในบ้านในหนูมันจะหายไปเองเหมือนกันถ้าสติคณมีอยู่กับตัวตลอดเวลานะกิเลสตัณหามันวิ่งหนีของมันเองหรอกมันไม่อยู่หรอกมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติอ่ะเ น, รร น, นี่ยเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติทำเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติแล้วเอาธรรมชาติฝ่ายดับทุกข์มาไว้ในใจเรา แล้วธรรมชาติของทุกข์มันก็หายไปเองเพราะมันไม่มีแต่นี้มันไม่มีอันนี้เพราะเหตุนี้มีเหตุนี้จึงมีเหตุนี้มีเหตุนี้จึงดับมันมีอันนี้เอาอันนี้มาไว้ในนี้อันนั้นมันก็ไม่มีเองถ้าไม่มีความพอใจไม่พอใจในอันนี้ไม่มีอวิชชาแล้วความทุกข์สังขารวิญญาณนามรูปราชนพสราวิฏฐันหัวมันจะมาจากไหนมันไม่มีที่มาที่ไปอ่ะแต่ดีนี้มันมีอันนี้มันก็เลยเป็นนั้นซะเนี่ยเนี่ยนั้นก็ปรับใหม่ซะ ปรับาธาตุปรับขันทำความรู้สึกตัวเนี่ยเราต้องอยู่ในโลกนี้โดยไม่มีใครนะต่อไปในอนาคตต่อไปเนีเราไม่มีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่ไม่มีใครเลยแต่เราจะอยู่ได้ไม่จิตนะเนี่ยนะไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีอะไรเนี่ยเราต้องอยู่กับสติเอาสติเป็นที่พึ่งอย่าเราบอกว่าเอาพุทธะเป็นที่พึ่งพุทธังสารนังกัจฉามิเนี่ยนะ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นีิพึ่งก็คือพึ่งตัวรู้สึกตัวพึ่งวิชาพึ่งปัญญาของการรู้แจ้งเนี่ยเป็นที่พึงแต่เดนนี้มนุษย์ทั้งหลายนี่พึ่งความคิดพวกเราไปพึ่งความคิดพึ่งความคิดมันก็เป็นกิเลสเป็นเตณหาเป็นอุบทานนะสมมุติทั้งหลายถาวรมันก็อยู่ในนี่แหละแต่เดนนี้เราพึ่งสัจจะพึ่งสติสัมปชัญญะเราวพึ่งภาวะนี้ถ้าพึ่งอันนี้ก็สบายไปในมาในก็สบาย โอ้ไม่ทุกแล้วนี่มีพุท ธ, ธะในใจแนละ้วมีพุท ธ, ธะเป็นสาระเป็นที่พึ่งไม่ต้องมีพระมาแขวนคอนะฮะไม่ต้องเอาอันนั้นมาเสียบหูตวงตาได้ยินแต่ก่อนว่าเจาะหูแต่ถ้ารูใหญ่เขาเรียกว่าระเบิดหูอ๋อสับปูนี่เนาะระเบิดหูระเบิดจมูกมีน้ำซ้ำเจาะสะดืออ้าวมีเจาะสะดือ มันก่อนมีโยมคนหนึ่งนะทำงานกรุงเทพโทรมาลุางตาลุงตาหนว่จะสักลายมันจะสักยันนะลุงตาคิดว่ายังไงลุงตาว่าสักตั้งแต่คิ้วลงไปถึงปลายตีนนนะ่ะลุงตาแบบลายมดตัวนะ่ะมจึงจะได้ไปออกกินเนสบุ๊คเนื่องว่ามันจะถามปัญหาธรรมะ ทำเรื่องศักลายเป็นด็อกเตอร์ด้วยไม่รู้จะว่ายังไงก็ได้บอกว่าโอ้เอาเอ ถ, าถาะเอะทำศรัทธาหลวงตาก็พูดเลยเรนแะเราทั้งหลายเกิดมาเป็นคนเนี่ยมีโอกาสพบพุทธศาสนาแล้ว เวลาเราสอนนี่ก็สอนแบบไม่ให้มันมีเปลือกกินเปลือกมันจะยากมันเจ็บปากเป็นนู่นเป็นนี่นั่นก็แกะให้กินแบบง่ายๆเหลือแต่ปฏิบัติเท่านั้นเองความรู้ตัวเนี่ยมันทําได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรหรอกล่งตาวัดคนที่ปฏิบัติทำอยู่ล่งตาเนี่ยวัดตรงไหนเขาพัฒนาขึ้นวัดต้นที่เขาทุกน้อยนั่นแหละถ้าเขาทุกน้อยการยึดมั่นถือมันกันอะไรเขาน้อยลงน้อยลงใช้ได้ทําหน้าที่ทําการทํางานปกติ มีความเจริญก้าหนะ้าธรรมดาไปพร้อมกับความเจริญทางด้านอารมณ์สติสมาธิดีขึ้นไม่มีการก่อการทะเลวิวาใช้ธรรมะไปพัฒนาสติปัญญากับการกลับงานตัวเองกับบริหารผู้อื่นละวัดผู้อื่นอยู่กันด้วยเป็นไงโอ้มีความสุขนะความโกรธความโมน่อะไรมันน้อยลงโอ้หลวงตาพูดให้ฟังพูดให้โยมฟังวันหนึ่งว่ามีโยมคนหนึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจนะให้ปฏิบัติธรรมกับหลวงตา เชิญลูกน้องไปปฏิบัติธรรมด้วยให้ลูกน้องไปปฏิบัติธรรมมันแสดงว่ามันผิดตรงไหนมันต้องให้ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยมันก็อยู่ดีมีสุขอยู่เนี่ยทำไมต้องไปปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติได้เลือดเบนนนี่ก็แสดงอาการไม่พอใจนะท่านประธานกรรมการบริษัทกรรมการผู้จัดการบริษัทประธานเนี่ยก็มลงกราบลูกน้องดูที่ ก้มลงกราบลูกน้องนะคนเราก็มีแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรเรามาช่วยกันทําคุณงามความดีเถอะ<ม>ผมไม่ได้หวังอะไรกับคุณนะที่ผมมีโครงการอยากให้คุณไปปฏิบัติวัดสมอนั่เนี่ยไม่มีอะไรนะก็ไปปฏิบัติก็ตัวของคุณเองนัน่นแหละที่จะได้ผมทำได้ไหมแบบเนี่ยแต่ก่อนผมทำไม่ได้เนะ่กราบคุณเนี่ย ถ้ามีปัญหาแบบนี้คุณนะเป็นคนต้องกราบผมเนะี่ยเมื่อก่อนคุณต้องกราบผมนะผมอารมณ์ไม่ได้เย็นแบบนี้นะเดี๋ยวนี้ใครอยากมีอะไรมีไปจะโกรธจะเกลียดผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมมีมีความสุขมีความสนุกได้ซ้าไปที่เอออยากได้บอกอยากได้สอนอยากได้แนะนําเราทั้งหลายเนี่ยรู้สึกโอ้เราก็มีอยู่แค่นี้แหละชีวิตเราก็จมอยู่อารมณ์แบบเนี้ยคุณทําได้ดีกว่าผมไม่เอาทําแบบเนี้ย มันไม่มีอะไรวันวันเราจะมาแข่งกันโลบโกรธหลงอยู่นี่เหรอทำงานแบบนี้เหรออย่าคิดว่าเราไม่มีความทุกข์นะผมอยากให้คุณไปเกิดดวงตาเกิดปัญญาเหมือนอย่างที่ผมไปปฏิบัติทำมาแล้วผมกราบคนได้ในทุกบริษัทกราบลูกน้องกราบคนกลัวผมกราบได้อะผมเป็นประธานกรรมการบริษัทเนะี่ยผมทำได้ยังไงเนี่ย คนอื่นหัวเราเยอะผมรู้สึกว่าผมมีความสุขผมธรรมชาติธรรมดานะเนี่ยผมอยากให้คุณออกเม <_' ấy S 1> ื่อไหร่ก็ได้ผมอยากให้คุณอยู่ก็ได้แต่ผมคิดว่าเราเป็นหุ้นส่วนชีวิตน่ะเขาพูดดีนะเราเป็นหุ้นส่วนชีวิตเอาเข้ามาทํางานกับผมผมก็อยากให้คุณมีความสุขอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อปอบคู่คุณก็มีความสุขไม่มีทิฐิมานะไม่มีนนท์ไม่มีนี่เราไม่เห็นหรอกว่าเราทุกข์เพราะอะไรอยู่ <_' S 2> <แ lightweight>ยทํางานกับผมผมก็จ่ายเงินเดือน มีไม่บริษัทไหนเนี่ยเขาชีวิตเขาคือหนึ่งอาทิตย์จ่ายหนึ่งอาทิตย์จ่ายนะเนี่ยเงินเดือนสามมื่นเนี่ยอาทิตย์นี้จ่ายอาทิตย์นี้จ่ายคนงานห้าสิบหกสิบคนจ่ายทุกอาทิตย์ในขณะเดียวกันอาทิตย์ไหนที่เขาไปธุระเขาจ่ายไม่ทันเขาขอโทษแต่เขาให้ดอกการจ่ายเงินเดือนเขาเนี่ยไม่ทันเวลาเนี่ยผ่านไปวันหนึ่งเขาก็จ่ายดอกเพิ่มให้เป็นร้อย มันจะออกทันปานนั้นหรือออกร้อยหนึ่งในดอกนะแต่เขาจ่ายก็สูงไปเถ้าค้าไปเถ้าขเขาพูดยิมย้มแยมแจ่มใสเข้ามาเขาว่าเจ้านายเขานี่เคยไปปฏิบัติธรรมมาหลายที่แหละกลับมาเมื่อก่อนเวลาประชุมยังตบโต๊ะเลยอารมณ์เสียเลยนะแต่ปฏิบัติวัดสมมานัดไปเหมือนไม่ได้อะไรอ่ะมาเนี่ยไม่สว่างไม่แจ้งอะไรเท่าไหร่นัน แตไปแล้วสบาเขาปฏิบัติแต่ก่อนเขาปฏิบัติจนกระทั่งว่าเขานอนเนี่ยเวลาเขานอนเขาปฏิบัติทำเขาเขานอนครึ่งหนึ่งนอนครึ่งตัวนอนเตียงเนี่ยคือให้ก้นครึ่งซีกเนี่ยเอาขาขึ้นครึ่งหัวนี่นอนครึ่งหนึ่งก็อยู่ข้างล่างตีนก็เหยียบพื้นคือเขาว่าเขาไปดูเสือว่าการนอนนี่คือโมคะการหลับเนี่ยมันเป็นโมคะแบบหนึ่งนั้นเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องการนอนตองเอาจริงเอาจังนั้นครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่มันมีสมาธิมันหลับเองโดยธรรมชาติ กได้แบบนั้นนะมีสมาธิเห็นอ น, นาคตเป็นอย่างโน้น อ, อย่างนี้แต่เขาก็าเออมันมีความรู้สึกถูกใจอยู่อย่างหนึ่งว่ามันไม่ใช่นะตอนนั้นเขาก็คิดเขาไม่ค่อยคิดมากแต่ภรรยานีา่คิดมากคิดมากกลัวเขาหลุดโลกไปแต่หลังจากเขาไปปฏิบัติวัดสมมนัดเอา้าเป็นอีกแบบหนึง่งอ้อจริงจริงมันเป็นเรื่องของจิตของใจเนาะ เรื่องของความไม่มีอะไรในใจเนี่ยก็แค่นี้เองนะชีวิตเนี่ยแต่ของเราเวลาโกรธขึ้นเนี่ยไม่มีเนียกราบคนนี้มันกราบไม่ได้แม้แต่จะกราบอัตมากราบพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่สอนเนี่ยมันก็ยังดูกลับกลับแบบว้ายแบบไม่ได้เต็มใจมนุษย์เนี่ยก็มีแค่นั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรอันใจมีที่ททมานะมันลดลงหุ้ยมัอนยากเนี่ยยิ่งเราทําตัวอ่อนเท่าไหร่เนี่ย ทุกในใจเราก็ยิ่งหายไปได้เท่านั้นเราเอามันออกไงอ่อนลงไปเพื่ออะไรใช่มันออกแล้วแข็งอะไรเอามันเข้ามาก็เท่านั้นเองชีวิตเนี่ยนั้นเวลาเขาบริหารสบายเขาพูดอะไรก็สบายปัจจุบันนี้บอกนนทนบริอนสสบาย <c oughs> กลุ่มหนึ่งไปปฏิบัติธรรมกลับมาหน้าตาพองใสกลุ่มหนึ่งอยากไปอยากปฏิบัติธรรมด้วยเผอินว่าหลวงตาไปจัดคลอต่างจังหวัด เขาก็ไปพนัก ง, งานไปว่ปจาจะไปให้มันพองไสกลับมาพราะพกนีวอารได้อารมณ์แ บ, บนั้นมันแย่งไน่นนี่มันอ้ยอยากไปพ อ, พอไปคอต่างจังหวัดไม่มีที่ที่โน่นไม่มีต้นไม้ซักตน้นล่มก็ไม่มีมีศาลาอยู่หลังเดียวนี่ไม่มีที่เดินจะกมเดินตากแดดทั้งวันพอกลับไปพวกนึงว่าดำกลับมา ไม่พองใสเลยหน้าตาดัา้โอ้ยตายพวกนี้มันไม่จริงจังมันไม่ได้มันไม่พองไสเหมือนรุ่นก่อนเขาว่ารุ่นนี้มันไม่พองใสมันไม่แจม่มใสแสดงว่าไปทําเล่นสิพวกทำเล่นหาอะไรกูทําเทียบตายแต่มันตากแดดทั้งวันอะ่ะเ็ดวันนี้เด้าผ้าปกหัวเดินแล้วลวงตาหลังลวงตาท่านก็อยู่ล่มนั่นแหละท่านไม่ออกมามีแต่ท่านบอกว่าออกไปสู้ตายสู้ตาย เกือบตายกลับมาแห้งหมดเลยกูเรียกวมึงต้องดูใจกูดูใจดีดำแต่หน้าแต่ใจดีมันยิ่งได้อารมณ์อะปฏิบัติดำเนี่ยเขาว่าโอ๊ยต่างกันมากรุ่นก่อนนะ่ะผ่องใสเบิกบานกลับมารุ่นนี้ต้องมีตาในจึงจะดูออกเพราะมันดำนอกข้างในมันผ่องใสแต่เขาขยันนะใจดีแต่ต้องทอรมานหน่อยทอรมานตรงไหน ตรงที่มันมันทุกเนี่ยมันตรงที่มันมันร้อนมันเขาเลยว่าเฮ้ยงวหน้าไม่เอาละข้อต่างจังหวัดเนี่ยสู้ไม่ไหวไปวัดสมมนั้นอย่างเดียวมันถึงล่มดีเนี่ยเพื่อมันส่งผ่องใสทั้งนอกทั้งในกลับมาด้วยเพราะต้องหากินด้วยลูกส่วนหนึ่งน่ยอือแล้วแต่แล้วแต่ต้องว่าลงตางวหน้าขอไปฝึกวัดสมมานั้ไม่เอาต่างจังหวัดไม่ออกมามันลําบากเขาว่าอย่างไม้เขามันลําบาก ก็เลยว่าเอ้าแล้วแต่ไปก็ดีไม่ไปก็ดีฉนั้นอยากให้มีการบริหารมีการจัดการชีวิตอย่างเนี้ยเขาก็ามีความสุขมีความสบายนะเขาไม่เดือดร้องอะไรนะสบายสบายโยมเมื่อวานมีคนเจ้าหน้าที่บริษัทหนึ่งไปทํางานที่วัดเดี๋ยนี้ภูบาอุทิตรู้จากโยมหนึ่งเนาะ ยมเลือรู้จักเขาไหมว่าไม่รู้จักเนาะครูว่าอดรู้อจักเนาะเออช่างปูกระเบื้องอยู่วัดแต่ไอหมอนี่มันชอบแอบไปเดินจุกมุกอยู่เรื่อยเรืเมื่อวานเจ้านายเขาโทรมาลงตาเหมือนเขาได้สภาวะทําอะไรบางอย่างคือลงไปขุดปลูกต้นไม้ได้ช่วยใยหมาอะไรบางเขาเดินจุกม แล้วเกิดเขาบอกว่าเดินไปเดินมาเดินไปเดินมารู้สึกว่ามีความทุกข์อยู่ในใจมันทุกข์เหมือนมันอึดอัดมันเหมือนไม่เกรนเนี่ยแล้วอยู่ๆทำความเพียรไปเขาว่าลูกน้องเขาไม่กินข้าวมาวันหนึ่งสองวันแล้วเขาจะอยู่แต่กับการปฏิบัติอยู่เรื่อย ๆ, ๆใครก็แก้ไม่ได้อ่ะดวงตาเขาอ้อยดวงตาคนไดกลับวัดแล้วมั่งก็คิดนะวันนี้อาจจะขึ้นเครื่องบินกลับวัด ถ้าถามมันไม่ปกติก็คือต้องกลับไปกลับไปแก้ปัญหาแล้วก็จะกลับมาให้ทันให้ไหวที่สุดเนี่ยบอกอย่างนี้แล้ว อ, อย่าเป็นหลับเดินหลวงตาไม่ยูแล้วคักแล้วกูวันนี้นเนี่ยไม่แน่นะั้นลงาดาราไม่กลับได้ <laughs> มันสว่างมันโลง่งแล้วมันก็สบายก็ว่าหลวงตาผมเกิดเหมือนตกหลุมอะไรสักอย่างเนี่ย เจ้านายเขามาแต่กรุงเทพเพราะเขาไม่กินข้าวไม่กินอะไรเมีได้ทำความเพียรเนี่ยผมไม่กินก็ได้ครับผมสบายผมไม่ทุกข์ไม่อะไรเลยครมันเหมือนตกแล้วมันสว่างมันโล่งเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาอะไรครับมันสบายมากผมไม่หิวไม่อะไรไม่มีอะไรเลยแล้วประานั้นเจ้านายเขาก็ห่วงก็ เ, เลยโทมาหาลุงตาลุงตา้ เดวคุยด้วยฉันดูที่นี่ช่างปูกระเบื้องก็ยังจะไปนิพพานพวกเธอแล้วพวกเราเดินกขาปอกแจ ก, กแจอยู่เนี่ยทำไมจะไม่เอานี่เราตามหานิพพานโดยตรงมันไม่ได้ตั้งหานิพพานแนนะ่ะมันมาปูกระเบื้องรับจ้างเจ้านายเขาสั่งมาปูให้วัดแต่เขาก็ได้สมาธิได้ปัญญาได้แจ่มแจ้งขึ้นมานะ่ะ จะกทั่งไม่กินข่าวกินหน้าหมุนลูกศรว่ามีความสุขทําความเพียรอยู่นั่นแหะดูดิแต่ดีนะที่มันไม่นั่งเฉยนะมือตาลอยไม่มันตั้งใจปฏิบัติเดี๋ยวมันก็ปฏิบัตินะโมตากะโตไปถามตั้งแต่เช้าถามที่วัดถามแม่ชีเขานะกลัวเขาไม่ไม่ปกตินะันก็ยากลําบากนะ ขอให้เราตกหลุมของเขาบ้างเถอะตกหลุมรักอันนี้มันตกหลุมนิพพานนะเนี่ยตกหลุมธรรมะตกหลุมปีติโอภาฏญานปีติปัปสสติสมาธิรู้แจ้งไปเี้ยคนนี้ไม่ใช่เขาไม่เคยมาปฏิบัติธรรมนะเขาเคยมาปฏิบัติธรรมแล้วเขาเคยได้อารมณ์แล้วได้อารมณ์ที่ดีที่สุดในกลุ่มที่เคยมาในกลุ่มที่กลุ่มพลักงานเขาเนี่ย ทีนี้พอเขามาทํางานช่วยวัดเนี่ยมันก็แอบทําความเพียรอยู่เรื่อยเลยทีนี้มันตื่นดึกลู้เช่ามันเดินโจงกระดิเช้าก่อนที่มันจะทํางานพูกับเบื้องเนี่ยนะตอนเย็นก็เหมือนกันมาทำวัดสุวรปาดกวาดเสร็จปุ๊บเดินจงกระดิทความเพียรก่อนที่มันจะทํางานมันได้อารมณ์ทีเนี้ยนะนั่นก็อยากให้เราทั้งหลายใส่ใจเถอะธรรมะเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาขอแต่ให้ใส่ใจของเขานี่เขามีความอยากที่อยากทำไหม แต่นี้เรามันไม่มีความอยากที่อยากรู้เดี๋ยวนี่ยมันมีความอยากอย่างอื่นนั้นจิตมันก็เลยไปคล้องอยู่เรื่องอื่นมากเวลาทำมันก็ได้ได้ทำมากทำมากเพราะความอยากจิตมันไม่ไปด้วยไงมันไม่มีศรัทธาในการจะทำมันก็เลต้องลําบากต้องเข็นเหมือนเข็นครกขึ้นเขาอะจิตอนเนี้ยนั้นให้จิตใสใจตามแล้วมันจะเข้าใจไวเอานะโม